เมื่อใดจริงจะเป็นบุตรของพระองค์ได้เรียกว่าเป็นโอรสที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าคืออาศัยคาสอนและปฏิบัติทะลุเป้าก็ถ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายได้หมดเลยถ้าไม่เป็นล่ะถ้าไม่เป็นก็ชาติหน้าก็สุขติในฐานะที่เรียกอะไรนะนับถือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนชาติหน้าสุขติรับรองหนึ่งชาติหลังจากนั้นไม่แน่นะ ข้อความในคุ่ทการิกายอุทานจุนท่าสูตรหน้า731ข้อ162ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในมลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงเมืองปาวา เ, เหตุการณ์ใกล้จะดับขันปรีนิพาน กล่าวว่าเป็นการเสด็จไปเพื่อดับขันปรินิพานเป็นแท้กล่าวว่าเป็นการเสด็จไปเพื่อดับวิบากและกรรมชะลุบได้ยินว่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะอัมพวันคือสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมมารบุตรกรมมารบุต ร, ร, มมรนี่แปลว่าช่างทองอ่ะนะนายจุนทะผู้เป็นบุตรของนายช่างทองใกล้เมืองปาวานายจุนทะก ร, รมมารบุตร จริงๆก็เป็นพระโสดาบันด้วยนะเป็นอริยะสาวกโสดาบันได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในมะละชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมูใหญ่เสด็จมาถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ณอัมพวันของเราใกล้เมืองปาวาลำดับนั้นแลนายจุนทะกรมมารบุตรก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้หนายจุนทกษ์กัมมารบุตรเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นแลนายจุนทักษ์กัมมารบุตรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสง์ จงทรงรับพัตนาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับนิมนต์โดยดุษนียภาพนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนจะปรินิพพานพูดถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยนะผู้ใดก็ตามที่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าหลังจากเข้าไปเฝ้าแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เข้าได้เลยคือเขาเห็นแจ้งเขาสมาทานเขาอาจฐารเขาร่าเริง ด้วยธรรมีกรถาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ถือว่าอะไรนะได้รับลาบที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการได้ที่ที่ได้โดยยากเป็นสวนานุตริยะใช่ไหมเป็นสวนานุตริยะคือเข้าไปเฝ้าได้ทัศนานุตริยะคือได้เห็นพระพุทธเจ้าพอเห็นเสร็จก็ได้สวนานุตริยะได้ฟังเมื่อฟังเสร็จก็ได้ศรัทธาเรียกว่าลาพานุตริยะขณะเดียวกันก็เข้าใจข้อปฏิบัติคือศิกขา การปฏิบัติเหล่านั้นก็เป็นศิขานุตริยะนะอุปถากถวายปั จ, จัจสี่พระองค์กับพระพิสุสงฆ์ก็เป็นอะไรปาริจริยานุตริยะทันสมัยก่อนนี้ถือว่าเขาเกิดในปฏิรูปประเทศเกิดในประเทศที่สมควรจึงได้กระทาอนุตริยะทั้ง6ประการมีการศึกษามีการปฏิบัติซึ่งแต่ละอย่างก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความสุขและก็เป็นเหตุแห่งความเจริญ โดยเฉพาะได้ถวายปัจจัยสี่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จริงสมัยนั้นก็ได้ถวายด้วยกับมือนะถวายแบบเห็นอยู่แต่ที่จริงแล้วถ้าศรัท ธ, ธาเท่ากันตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่หรือดับขันปรินิพพานไปแล้วก็เสมอกันถ้าศรัทธาเท่ากันนะปัญหาว่าพระองค์ดับขันปรินิพพานไปแล้วศรัท ธ, ธาเราลดไปด้วยสิก็เลยวิบากก็เลยไม่ค่อยจะเสมอกันนะเพราะว่าศรัท ธ, ธาของเรา อย่างว่านะปีติปัสสัตที่เป็นต้นก็ไม่เท่ากันกับอะไรนะเกิดเท่าเกิดทันอ่ะนะหลังจากที่นิมนต์เสร็จอ่ะนะพระองค์ก็รับแล้วนายจุนทะกรมมารบุตรก็ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วลูกจากอาสนะถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปนายจุนทกกรมมารบุตรก็สั่งให้ตบแต่งขาชนิยะโภชนิยาหารอันประณีต และเนื้อสุกรอ่อนเป็นอันมากในนิเวศของตนแล้วก็กราบทูลพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงเวลาแล้วพัดสำเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทกกรมมารบุตรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วประทรับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูราถวาย ครั้งแล้วก็ตรัสกับนายจุนทกกรมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะเนื้อสุกรอ่อนอันใดท่านได้ตกแต่งไว้ท่านจงอังฆาตเราด้วยเนื้อสุกรอ่อนนั้นส่วนขาชนียะโภชนียาหารอื่นใดท่านที่ท่านได้ตกแต่งเอาไว้ท่านจงอังฆาตทิกสุสง์ด้วยขาชนียะโภชนียาหานั้นเถิดนายจุนทกกรมารบุตรก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอังฆาต พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเนื้อสุกรอ่อนที่ได้ตกแต่งไว้และอังฆ่าภิกษุสงฆ์ด้วยขาชนิยะโภชนิยาหารอย่างอื่นที่ได้ตกแต่งเอาไว้แล้วลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัส ก, กับนายจุนทะกรรมมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะท่านจงฝังเนื้อสุกรอ่อนที่เหลืออยู่นั้นเสียในบ่อเราไม่เห็นบุคคลผู้บริโภคเนื้อสุกรอ่อนนั้นแล้ว เพ่งให้ย่อยไปโดยชอบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมมาณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์นอกจากตถาคตนายจุนทะกรร ม, มารบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วฝังเนื้อสุกรอ่อนที่ยังเหลือเสียในบอ่อแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงชี้แจงให้ในายจุนทะกรมมารบุตร เห็นแจ้งให้สมทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยทำมีกระถาเสดจลกจากอาสนะแล้วหลีกไปในอัตตกะถาอธิบายพุทธพจน์เหล่านี้ว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเสดไปที่ไหนพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่เนี่ยนะมหาตาภิกขุสังเขนะเนี่ยก็คือใหญ่โดยคุณธรรมและก็ใหญ่โดยจำนวนนะพระอริยะเหล่านท่านเหล่านั้นโดยมากก็เป็นพระอริยะ แล้วก็จำนวนพระพิสุที่ติดตามพระองค์ไปนี่ก็เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะจริงอยู่พิสุสงนั้นชื่อว่ามีมีใหญ่โดยประกอบด้วยคุณพิเศษมีอะไรบ้างคุณธรรมของพิสุสง์ก็คือเซนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัศสนะยิริโอตตะมีศรัทธามีคือท่านเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือโพธิปัจยธรรมตามตา ม, ตามที่พระพุทธเจ้าสอน ก็บอกว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะล้าหลังของเขาทั้งหมดก็เป็นพระโสดาบันใครรู้ไหมพระนนนะมีพระนนของเรารูปเดียวนี่แหละที่เป็นพระโสดาบันโดยมากกวสกท า, าคามีนาคามีแล้วก็เป็นผ่ารหัสกันแล้วก็ใหญ่โดยจํานวนเพราะกําหนดจํานวนไม่ได้บอกว่าจําเดิมแต่เวลาปลงมายุสังขาร พิสูจทั้งหลายผู้มาแล้วมาแล้วก็ไม่ได้หลีกไปเลยทั้งหมดติดตามพระพุทธเจ้ า, าไปหมดเลยถามว่านายจุนทะคือใครเล่ากันมาว่านายจุนทะบุตรของนายช่างทองนั้นน่ะเป็นคนมั่งคั่งเป็นกุฎุมพีใหญ่แล้วก็เป็นพระโสดาบันโดยการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครั้งแรกที่เข้าไปเฝ้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันน่ย น, นะก็คือแรกตรัสรู้ต้นๆนู้นตรัสรู้มานานแล้วตอนหลัง เขาก็จัดแจงพระคันทกุตีอันสมควรประทับอยู่ของพระศาสดาและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันแก่ภิกษุสงฆ์จัดโรงชั้นกุติมณฑปที่จงกรมแก่ภิกษุสงฆ์ในสวนอัมพวันของตนอินเดียนี่ไม่ค่อยมีสวนพิเศษอย่างอื่นนะนะสวนเงาะลิ้นจีอะไรไม่ค่อยเห็นนะโดยมากก็เห็นแต่สวนมะม่วงนี่แหละไปทุกวันก็ยังไม่ล้าสมัยอะไรเนี่ยนะก็ยังถึงมาทุกวันเนี่ยมีสวนมะม่วงโดยมากนะที่ดูร่มรื่นไหนก็สวนมะม่วงนะสวนอย่างอื่น ถ้ารับที่ไปเนี่ยนะรับที่ไปไม่ค่อยเห็นแล้วก็อาจจะบางรัฐเนี่ยจะมีปลูกอะไรนะต้นคล้ายๆต้นสักดิ์นะแต่ไม่ใช่ต้นศักก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าโดยมากก็สวนมะม่วงนี่แหละก็ถวายสวนมะม่วงสร้างกุฏิถวายเป็นที่ประทับเนี่ยนะที่ที่อยู่เหล่านั้นก็ล้อมด้วยกำแพงเนี่ยนะทำกำแพงมีซุ้มประตูเบ็ดเสร็จมอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ก็ไดงว่าสวนนี้ก็คือวัดดีๆนี่แหละแต่เป็นวัดที่เป็นป่ามะม่วงนะนะอัมพาก็คือมะม่วงวันะก็คือป่าอัมพวันก็คือวัดป่ามะม่วงนั่นเองอทีนี้คำว่าสุกระมัทวะเนี่ยนะสุกระมัถวังที่นายจุนทะก ร, รมมารบรถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรในมหาอัตกถาคือในอัตกถาทั่วไปเนี่ย คือเนื้อสุกรทั่วไปแต่เป็นเนื้อที่อ่อนนุ่มแล้วก็สนิทถือว่าเป็นมติของของอัตถกถาทั้งหมดท่านบอกว่าหมายถึงเนื้อเนื้อหมูจริงๆเพราะถือว่าพระกยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้านี้จะต้องเป็นมังสักคือเป็นเนื้อในอัตถกถาพุทธวงศ์เนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยจะกล่าวไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระกยาหารมื้อสุดท้ายคือเนื้อแต่ว่าบางอาจารย์บางพวก นันก็ยกมาว่าอาจารย์บางพวกบอกไม่ใช่เนื้อสุกรหรอกแต่เป็นหน่อไม้ไผ่ที่พวกสุกรเนี่ยแทะดุนเป็นหน่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่งอ่ะ น, นะที่หมูชอบว่างั้นอาจารย์อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าเหตุเหตุที่เกิดในทินที่พวกสุกรแทะดุนว่างั้นอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่หรอกหมายถึงว่าบอกเกิดแห่งรสชนิดหนึ่งที่ได้แต่ชื่อเฉยๆว่าชื่อว่าเนื้อสุกรอ่อนพวกทินอีกพวกหนึ่ง บอกว่ า, วานายจุนทกกรรมมารบุตรบุตรของนายช่างทองเนี่ยสับคํานั้นว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจาักเสด็จปรินิพานแล้วคิดว่าชะไหนเนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงสวยเนื้อสุกร อ, อ่อนนี่แล้วพึงดํารงอยู่ตลอดกาลนานดังนี้จึงได้ถวายเพื่อประสงค์จะให้พระาศาสดาดํารงพระชนมาายุได้ตลอดกาลนานพันธ์ก็มีแบ่งเป็นหมติด้วยกันเนี่ยนะหอาจารย์เนี่ยนะหอาจารย์ถือว่า เป็นเห็ดบางพวกก็บอกเป็นไม้ไผ่เอ่อเป็นหน่อไม้บางพวกก็เป็นเห็ดบางพวกก็บอกว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ปรุงพิเศษบางพวกก็พวกที่ห้าบอกว่าเป็นกลุ่มยาอายุวัฒนะว่างั้นนะกลุ่มอาหารที่เป็นยาเพราะจะได้พระพุทธเจ้าจะได้อายุยืนก็มีหมติ ด, ด้วยกันแต่ว่าโดยทั่วๆไปนั้นหมายถึงถ้ากล่าวตามอัตถกถาพุทธวงศ์ก็หมายถึงเนื้อหมูจริงๆนั่นแหละถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนั้น ตรัสว่าไงตรัสว่าให้เอาเนื้อไปฝังทิ้งซะเพราะทรงมีความเอ็นดูแก่สัตว์อื่นก็เหตุนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วในบาลีนั่นเองด้วยเหตุนั้นอันพระองค์แสดงว่าควรจะกล่าวอย่างนั้นเพราะพิษสาเขานํามาจำเพาะและคนอื่นไม่ควรจะบริโภคเพราะไอ้อาหารชนิดเนี้ยปรุงพิเศษเหมาะกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวน้ํามันเนี่ยนะน้ํามันนี่อาสาอาหารเยอะนะพวกน้ํามันพวกอะไรทั้งหลาย เอาน้ำมันน้ำพึ่งเนยใสเนยข้นแล้วก็น้ำตาลมาผสมกันเนี่ยนะทานเข้าไปสักสามชามหรือเป็นไงเนี่ยนะเทวดาสายโอชาทิพก็เทวดาก็ไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนกันก็ไปสรรหาเอทิพโอชาทั้งหลายพระองค์จะได้อายุยืนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครๆอื่นไม่อาจจะให้เนื้อสุ ก, กรนั้นอนะ่ะย่อยได้โดยง่ายานะเรียกว่ามันมีโอชามากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะย่อยได้ ไม่เชื่อก็ดื่มน้ำมันสักสามขวดดูสิน้ำมันเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยออาหารอาหารเยอะนะพวกน้ำมันพวกอะไรทั้งหลายถ้าเอาน้ำมันน้ำพึ่งเนยใสเนยข้นแล้วก็น้ำตาลมาผสมกันเนี่ยนะทานเข้าไปสักสามชามดูสิเป็นไงโอ้โหคุณค่าทางอาหารเทียบเลยนะย่อยไวไหมไม่ไวแน่นะก็บอกว่าย่อยยากอันนี้เนี่ยโอชาทิพย์เนี่ยนะแล้วโอชาทิพย์เหล่านี้มาตั้งหเป็นจักรวาลจักรวาลเลยมาผสมจากขนาดไหนพระพันพระองค์บอกว่า ประกาศเนื้อความนั้นจะปลดเปลื้องความว่าร้ายของผู้อื่นจึงบรรลือศีหานาหว่าเราไม่เห็นเนื้อสุกรอ่อนเนี่ยนะผู้ใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกบริโภคแล้วก็สามารถที่จะให้ย่อยไปได้จึงอยู่เพื่อจะปลดเปลื้องการว่าร้ายของชนเราอื่นผู้ว่าร้ายว่าพระองค์นี้ไม่ให้ของที่เหลือจากที่ตนบริโภคแก่แก่พิสุแล้วก็ไม่ให้คนเราอื่นให้ฝังเอาไว้ในบอ่อทาให้พินาศ บางคนจะเข้าใจผิดอีกนะโอ้ยพระพุทธเจ้านี่ตันนีจังเลยนะถ้าฉันเองไม่หมดก็น่าจะให้พระภิกษุสงไปก็ได้ทาไมไม่ให้พระภิกษุสงก็ก็ให้คนอื่นเขาทานไปสิบอกไม่ได้ถ้าให้ก็เสี ย, สยแน่ก็คือย่อยไม่ได้นะดีอาจจะตายไปส่งขณะเดียวกันอาหารอันนี้ถ้าหากว่าให้ไปฝังทิ้งถ้าไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นก็จะว่าอีกนะคือ ว่าใครไม่ว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เสียหายมากสรุปว่าไม่มีผู้ใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทเทวดาและมนุษย์ที่บริโภคอาหารชามนี้ให้ย่อยไปได้ก็เลยเอาไปฝังทิ้งเถอะหลังจากที่พระองค์ฉันพัตหารเสร็จอะไรเกิดขึ้นในข้อ163 ครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยพัดของนายจุนทกกรมารบดแล้วเกิดอาพาธกล้าป่วยมากอนะป่วยแบบเวทนาก็กล้าเนะีเจ็บปวดอย่างแรงมากมีการลงพระโลหิตใกล้ต่อ น, นิพานเรียกว่าอาเจียนเป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดทั้งอาเจียนทั้งถ่ายออกมาเป็นเลือดเรียกว่าปางตายเลยอย่างนั้นนะนะป่วยปางตายเลยได้ยินว่าในสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นไม่ทุรนทุรายครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอนนว่ามาเถิดอนุนเราจะไปเมืองกุศินาราท่านพระอนุนก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นนักปราศเสวยพระตาหารของนายจุนทักกรรมมารบทตแล้ว ก็อาพาตกล้าใกล้ต่อ น, นิพานเกิดพยาที่กล้าขึ้นแก่พระศาสดาผู้สเสวยเนื้อสุกรอ่อนไม่ใช่ว่าพระองค์สเสวยเนื้อสุกรอ่อนแล้วป่วยมากเพราะอาหารนั่นไม่ใช่แต่เพราะว่าจริงๆก็ป่วยอยู่แล้วนะฉันไม่ฉันก็ป่วยแต่เพราะฉันอาหารนี่แหละทาให้พระองค์มีแรงเดินไปจนถึงเมืองกุสินาราได้ทันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระบางคนหนะักเป็นเลือด ขนาดเป็นเลือดทายออกมาเป็นเลือดทายเสร็จก็บอกว่าอนโนนเราจะไปนครกุศินารากันของถ้าเป็นคนทั่วไปจะทจําใจยังไงเ น, ะ น, นะาะอนะถาออกมาเป็นเลือดเนี่ยนะเรียกว่าเป็นป่วยเรียกว่ามรนันติกาเนีย่ยเรียกว่าปางตายเลยแบบนั้นคือสามารถจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนะถึงเวลาใกล้าตายได้เป็นอาพาธที่รุนแรงมาก ขณะนั้นพระองค์ก็สโตสัมปชาโนอธิวาเสติอดกลัน้นด้วยอำนาจของสติและสัมปชัญญะคือสตินี้ตั้งเอาไว้ด้วยดีเลยไม่ไม่พรั่นเพรงไม่คลั่นคร้ามไม่หวั่นไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจเหนือเวเหนืออำนาจของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะด้วยอำนาจสติของพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีสัมปชัญญะพระองค์มีอะไร สาธกะสัมปชัญญาโคจรสัมปชัญญาและอะสัมโมหสัมปัญญาทั้งๆ ท, ที่ขณะนั้นเนี่ยเวทนาไม่เป็นส ป, ปายะแน่แต่พระองค์ก็มีสัมปชัญญะดำรงอยู่ได้บทว่าอาวิวรรณยมาโนแปลว่าไม่กระทําให้เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาถ้าคนทั่วๆไปป่วยนี่เป็นยังไงป่วยเต็มที่นะกระสับกระส่ายพลิกกลับไปพลิกกลับมาพราะองค์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ได้กําหนดโดยอนุวัตตามเวทนา ยับยั้งอยู่ไม่เหมือนถูกรบกวนไม่ได้รับความลําบากใคร่ว่าดูนะถ้าดูเหมือนว่าถ้าดูจากภายนอกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่เป็นไรเลย ท, ทั้งทั้งที่บางคนออกมาเป็นเลือดแต่ถ้าเป็นคนธรรมดานี่ไม่รู้จะนอนพลิกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเพราะมันปวดมากอ่ะนะจริงอยู่เวทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในหมู่บ้านเวลุวะขามนั่นเองแต่จริงเคยป่วยชนิดนี้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะ ต, ตอนที่จําพรรษาอยู่ในเมืองพาาลีอะ่ะ หมู่บ้านเวลุวะค า, ามแต่ก็ถูกพลังแห่งสมาบัติข่มเอาไว้เวทนานั้นจึงไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันปรินิพานทาไมไม่อาการป่วยแบบนี้จึงไม่กําเริบในระหว่างนี้ก็เพราะพระองค์เนี่ยให้สมาบัติน้อมไปเฉพาะทุกวันทุกวันอนุภาพของสมาบัติอนุภาพของจิตตชรูปที่เกิดจากฌานทำให้ทุกขเวทนาเนี่ยไม่มีกำลัง แต่ว่าพระองค์เนี่ยประสงค์จะปรินิพพานในวันนั้นจึงไม่เข้าสมาบัติทำไมละ่ะก็เพื่อให้สัตว์เกิดความสังเวชว่าพระองค์แม้จะมีกําลังเท่ากับช้างพันโกธเชือกมีร่างกายเสมอกับด้วยเรือนเพชรมีบุญยะสมพานที่สั่งสมมาตลอดการหาประมาณไม่ได้เมื่อพบยังมีอยู่เวทนาเห็นปานนี้ก็ย่อมเป็นไปขนาดมีร่างกายนะมีวิบากมีกรรมชรูป พระพุทธเจ้ายังเจ็บปวดขนาดนี้จะป่วยกล่าวไปยัยถึงสัตว์อื่นเล่าสัตว์อื่นคือใครคนได้ยินทั้งหลายนี่แหละจะป่วยกล่าวไปยัยว่าเราจะไม่ป่วยใช่ไหมเราเอาอะไรมารับรองว่าเราจะไม่มีความเจ็บปวดขนาดนี้ก็อบอกมียาไงแล้วก็คุยกับหมอเอากัแล้วกันนะว่าวางยาอะไรนะเขาบอกว่าอาจารย์เทคนิคการแพทย์ที่เป็นหมอคนหนึ่งก็อบอกว่า ให้ซะจนหูอื้อตาลายไปหมดนะยาจนกําหนดอะไรไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าคนไข้ในยุคหลังๆมาเนี่ยแทบไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยเนี่ยนะอยู่ด้วยอาการเบลอรเรียกเมายาอยู่ตลอดเวลาท่านก็คิดเอานะว่าถ้าก่อนจะตายนี่อยู่แบบอาการคนเพอ้อเพเมายาแล้วตายหรือว่าจะเจ็บปวดจนตายหรือว่าจะเอาอยัางไงก็ตัดสินใจเอากันแล้วกันปรึกษาว่าลูกไว้ให้ดีถ้าลูกไม่ค่อยยอมแล้วกันนะ มันพ่อแม่จะเบลเบลบ้างกล้ช่างเถอะแต่อย่าครวญครางให้ได้ยินกันแล้วกันใหลูกทนไม่ได้แบบนั้นนะนะก็บอกว่าโหเจ็บป่วยเวทนาที่กล้าทีนี้ภายหลังภายหลังที่เกิดความเจ็บป่วยอย่างแรงกล้าแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สเสวยเสร็จแล้วเนี่ยนะแต่ไม่ใช่เพราะสเสวยพระกยายารเป็นปัจจัยก็บอกว่าถ้าโรคอย่างแรงกล้าจะเกิดจกมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่ได้สเสวย พระกยาหารแล้วซ้ายแต่เพราะพระองค์เสวยพระกยาหารอันสนิทนั้นแหละเวทนาจึงได้เบาบางถ้าพระองค์ไม่ได้ฉันสุกขะมัถวะเนี่ยพระองค์จะป่วยมากกว่านี้อีกเยอะแต่ด้วยสุกขะมัถวะนี่ทำให้ความเจ็บป่วยเนี่ยเบาบางลงแสดงว่าช่วยผ่อนโรคเหล่านั้นได้เรียกว่าได้อาหารอย่างดีเนี่ยนะเพราะว่าทั้งอาหารทิพทั้งอาหารมนุษย์เนี่ยนะถือว่าได้ยาดีมากแต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะเสด็จไปด้วยพระบาทได้ อะไรเรียกว่าอะไรนะพลียามากเลยนะในอัตถกถาต่อไปว่าพระองค์เมื่อจะแสดงสีหนาาจึงทรงบรรลือสีหนาาว่าพระกยายหารที่ผู้ใดพึงบริโภคแล้วพึงถึงความย่อยไปโดยชอบพระองค์บอกว่าไม่มีหรอกเว้นแต่ตถาคตดังนี้ให้เป็นประโยชน์จึงอยู่ชื่อว่าเสียงที่กระหึ่มในฐานะที่ไม่สมควรย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระองค์เนี่ยเพราะเหตุที่พระกยาหารที่พระองค์ทรงเสวยแล้วไม่ทําวิการอะไรๆให้เกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระกายาหารซึ่งเป็นสิ่งแสลงที่กรรมอันได้ช่องแล้วก็เข้าไปยึดถือสงบโดยประมาณน้อยนะจริงๆแล้วอาหารอาหารชรูปที่พระองค์เสวยเข้าไปเนี่ยนะช่วยทําให้เกิดพลังขึ้นในร่างกายถ้าไม่ได้ฉันนี้ถามว่าพระองค์จะเดินไปถึงเมืองกุสินาราไหม ต้องเหาะไปแน่เ น, นะเดินไม่ไหวแล้วนะนี่ซึ่งเป็นเหตุให้สําเร็จประโยชน์สอย่างตามที่จะกล่าวให้สําเร็จเพราะฉะนั้นพระกาหานั้นจึงถึงความย่อยไปโดยชอบทีเดียวแต่เพราะเวทนาถึงปางตายที่ใครๆไม่รู้แล้วไม่ปรากฏจึงมีได้แม้เจ็บปวดอย่างนี้ใครจะพ้นจากความเจ็บปวดเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้ผู้ที่จะจะตายเนี่ยนะจะเอาอะไรมาฉุดอยู่ละ่ะ ยากเนี่ยนะเทวดาเนี่ยนะสมมติว่าเทวดาจากเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยถ้าเกิดใหม่นะผิวจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยสดใสแต่เทวดาถ้ายิ่งอายุมากยิ่งยิ่งงามมากแต่ว่าก่อนจะตายจริงๆในที่สุดก็เฉาเหมือนกันนะเทวดายังเฉาเลยนะเพราะอะไรเพราะอนุภาพของกรรมหรือเพราะอาพาธที่ที่เกิดจากอาพาธที่เป็นเหตุให้ตายเนี่ยนะขนานั้นยังเล่นงานเทวดาได้จะกล่าวไปยายถึง ผู้อื่นนะในมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ยังไม่พ้นนะ่ะนะพระองค์ก็บางคนบางคนหนักเป็นเป็นพระโลหิตเนี่ยนะเป็นไปเนืองๆเครียกว่าอาถัถายเป็นเลือดตลอดเลยบทว่าอาวโจอความว่าพระองค์ได้ตรัสอย่างนั้นเพื่อประโยชน์แต่การปรินิพานที่ที่พระองค์ปรารถนาแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ยังต้องการจะไปปรินิพานที่เมืองกุสินารา ถามว่าเพราะเหตุที่เมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมจึงยังเสด็จปายเมืองกุศินาราพระองค์ไม่สามารถจะปรินิพานในที่อื่นหรือทําไมไม่ไปปรินิพานที่อื่นทําไมจะต้องไปทําให้พระวรากายลําบากเหน็ดเหนื่อ ย, ยขนาดนั้นตอบว่าเพราะพระองค์ไม่สามารถจะปริปรนิพานในที่ไหนๆก็หาไม่ได้ก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่พระองค์ก็มีเหตุผล น, นนะคือพระองค์ได้ทรงดําเริอย่างนี้ว่าเมื่อเรา ปริณิพันในเมืองกุเสนาราอัุปัติเหตุในการแสดงมหาสุทัศนสูตรก็มีมหาสุทัศนสูตรนี้เป็นสูตรที่ยาวมากเลยนะท่านถ้าสัตว์ไม่ได้ฟังสูตรนี้ก็เสื่อมไปหลายท่านะนะนั้นพระองค์ก็อยากจะแสดงสูตรนี้เพราะจะได้มีประโยชน์แล้วก็สมบัติอันใดอันเช่นกับสมบัติที่เราพึงสเสวยในเทวโลกด้วยอุ ป, ปัติเหตุนั้นเหตุนั้นเราก็ได้สเสวยแล้วในมนุษยโลก ก, ก็แสดงว่า สมัยที่พระองค์เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยนะได้บริโภคสมบัติเหมือนกับเทวดาเราจับประดับสมบัตินั้นด้วยภาณวาระทั้งสองจักแสดงธรรมะชนเป็นอันมากได้ฟังนั้นแล้วก็จักสำคัญถึงกุศลเพราะว่าที่พระองค์เกิดในเมืองสุทัศนะหรืออดีตของเมืองกุสินาราเนี่ยนะถือว่าเป็นเมืองยิ่งใหญ่มากคนก็จะได้นึกถึงเหตุก็จะได้ทาบุญกันที่ตนสมควรกระทำ แม้ณนะที่นั้นสุพัทธะก็จะเข้ามาเฝ้าเราถามปัญหาในที่สุดแก้ปัญหาเสร็จก็ตั้งอยู่ในสารณะถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะบรรพชาอุปสมบทเจริญกรรมฐานเป็นพระอรหันต์เมื่อเรายังทรงชีพยอยู่นั่นแลจากเป็นผู้ชื่อว่าปัชิมะสาวกก็คือเป็นสาวกองค์สุดท้ายเมื่อเราปรินิพานที่อื่นการทะเละก็จะมีเพราะธาตุเป็นเหตุ เลือดก็จะไหลเหมือนแม่น้ำแต่เมื่อเราไปนี้พาในเมืองกุศินาราโทนตะพราหม์ก็จักสงบวิวาทนั้นแบ่งท่าทั้งหลายให้เป็นไปดังนี้เพราะว่าโทนตะพราม์เนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ใหญ่มากเลยในสมัยนั้นที่เรียกว่าห้ามศึกได้นะเรียกาอาจารย์ใหญ่ขนาดห้ามศึกได้เพราะพวกนักรบในนั้นโดยมากเป็นลูกศิษย์โทนตะพราหม์เกืบทั้งหมดมันอาจารย์ก็ห้ามได้ทันพระองค์เห็นเหตุ3ามประการดังว่ามานี้ก็เสด็จไปยงังกรุงกุศินาราด้วยอุตสาหะใหญ่ทวนอีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้พระองค์ไปแสดงมหาสุทัศนสูตรสองสองเคราะห์สุภัทะปริภาชกสามเพื่อไม่ให้มีการทะเละวิวาทการเพราะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมันพระองค์ก็เลยชวนพระนลไปเมืองกุสินาราในพุทธพจข้อน์ข้อ164ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวะออกจากผลทางแล้วเสด็จเข้าไปยังโคลนต้นไม้ต้นหนึ่ง ครั้นแล้วพระ th er ians, นองค์ก็ตรัสกับท่านพระอนนว่าดูก่อนอนุนเร็วเถิดเธอจงปูลาดผ้าสังาติสี่ชั้นแก่เราเราเหน็ดเหนื่อยนักจักนั่งเหนื่อยมากปูสังขติให้นั่งหน่อยเถอะอ่างั้นท่านพระอนุนก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วปูลาดผ้าสังขติสี่ชั้นถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนืออาสนะที่ท่านพระอนุนปูถวายครั้นแล้วก็ตรัสกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอนุนเร็วเถิด เธอจงไปนําน้ําดื่มมาให้เราเรากระหายเราจะดื่มน้ำนะที่กระหายเนี่ยเพราะอะไรกรรมไหนไปห้ามโคใช่ไหมไปห้ามโคนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนรนก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เวียนประมาณห้าอยเล่มผ่านไปแล้วน้ํานั้นเนี่ยถูกล้อเวียนบทแล้วขุนมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่ แม่น้ำกุกุตานทีนี้มีน้ำใ ส, สจืดเย็นสนิทมีท่าราบเรียบควรรื่นรมอยู่ไม่ไกลนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสวยน้ำและจักทรงชำระพระวรากายให้เย็นในแม่น้ำกุกุตานทีนั้นก็คือพระอนนท์ห้ามพระองค์ว่าอย่าใช้น้ำนี้เลยน้ำนี้มันขุนถ้าพระองค์ทนรอไปอีกนิดหนึ่งน้ำข้างหน้ามันจะใสไปเสวยไปส่ปสปสงน้ำข้างหน้าเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ห้ามมานะว่า อนโน์เร็วเถิดจงไปนําน้ําดื่มมาให้เราเราก็หายเหมนกัน่ะพระองค์ก็เตือนเป็นครั้งที่สองท่านโนนก็บอกโอ้ยมันคุนอยู่พระเจ้าข้ารอข้างหน้าอีกเถอะแม้ครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับท่านอนโน์ว่าอนโน์เร็วเถิดเธอจงไปนําน้ําดื่มมาให้เราเราก็หายเราจากดื่มน้ําก็สามครั้งเนี้ยท่านโนนก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าถือบาตรไปยังแม่น้ํานั้น ครั้งนั้นแหลแม่น้ำนั้นน่ถูกล้อกเกวียนบดแล้วขุนมัวอยู่หน่อยหนึ่งไหลไปอยู่เมื่อท่านท่านนนเดินเข้าไปใกล้สาแจวไม่ขุนมัวไหลไปอยู่ลำดับนั้นท่านท่านนนนำริว่าท่านผู้เจริญหน้าอัศจรรย์เยนอะท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม่น้านี้แหลถูกล้อกเกวียนบดอยู่แล้ว ขนมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้สแจ๋วไม่ขุนมัวไหลไปอยู่ ท, ท่านพระนนก็เอาบาตตักน้ํานั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริ ญ, รรรรญไม่เคยมีมาแล้วความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม่น้ํานี้แลถูกลออเวียนบทแล้วขุนมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่ เมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปใกล้ก็ใส่แจ๋วไม่ขุนมัวไลไปอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ําเถิดขอพระสุคตเจ้าเสวยน้ําเถิดทั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสวยน้ำนี่นะมันก็คิดดูนะผู้ที่เกิดในวะตะัตฏะเนี่ยนะที่จะต้องอดอยากหิวโหยความเจ็บป่วยครอบงำเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้นะควรที่จะสังเวชเราทั้งหลายก็ยังไม่ได้พ้นจาก สภาพเหล่านี้เลยเขาเรียกว่าความเจ็บป่วยไม่ได้ต่างจากพระพุทธเจ้าต่างตรงที่ว่ายังมีกิเลสไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าสรีระสุดท้ายแล้วใช่ไมเป็นนระผู้มีสรีระเป็นสรีระสุดท้ายเขาเรียกว่าทิ้งกายอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาภาระอันใหม่ๆอีกต่อไปซึ่งต่างจากปุตชนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังแม่น้ากุกุตานที ครั้นแล้วก็ลงแม่น้ากุกูตานาทีพระองค์ก็สง่งสงเสร็จก็เสวยแล้วก็เสด็จขึ้นเสด็จเข้าไปยังอัมพวันคือสวนมะม่วงครั้นแล้วก็ตรัสเรียกท่านพระจุนทะว่าจุนทะเธอจงปูราดผ้าสังาติสี่ชั้นแก่เราเถิดเรานี่เหน็ดเหนื่อยจากนอนท่านพระจุนทะก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ปูผ้าสังาติสี่ชั้นถวาย อันชั้นก็ปกติผ้าสังกตินี่สองชั้นอยู่แล้วถ้าพับกลางอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสชั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำเร็จศีหาสายยาโดยพระปราดเบื้องขวาสอนพระบาทเลื่อมพระบาททรงมีพระสติสัมปชัญญะมาสิการอุทานสัญญาคือตั้งใจว่าจะลุกขึ้นนะนเรียกว่าพอ พ, ออพิงตัวลงนอนก็ปรารบที่จะลุกขึ้นนะ้นตั้งเวลาไว้แล้ว ส่วนท่านพระจุลทะนั่งอยู่เบื้องหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่สําเร็จศีหาสยยานั่นเองพระนลไปไหนบอกพระนลไปซักผ้าเป็นต้นน่นนะขั้นการต่อมาพระธรรมสังฆากาจารย์ได้รจนาคาถาเหล่านี้เอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแม่น้ํากุกุตานทีแม่น้ําใสแจ๋วจืดสนิทพระองค์ก็เสด็จลงไปแล้วพระตถาคตผู้ศาสดาผู้ไม่มีบุคคลเปรียบในโลก มีพระวรกายเหน็ดเหนื่อยนักแล้วพระองค์ก็สงและก็สเสวยเสร็จแล้วก็ขึ้นพระาศาสดาผู้อันโลกพร้อมทั้งเทวโลกห้อมล้อมแล้วในท่ามกลางแห่งหมู่ภิกษุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้าศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงประกาศในพระธรรมนี้เสด็จถึงอัมพวันแล้วตรัสเรียกภิกษุชื่อว่าจุนทะว่าเธอจงปูราาสังคติสี่ชั้นนั้นแกเราเดิดเราจักนอน ท่านพระจุนทะนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระองค์อันทรงอบรมแล้วตักเตือนจึงรีบปูร่าสังคาติสี่ชั้นทีเดียวพระศาสดามีพระกายเหน็ดเหนื่อยนักพระองค์ก็ทรงบรรทมแล้วฝ่ายพระจุนทะก็ได้นั่งอยู่เบื้องพระพักณนะที่นั้นอัตกถาที่บายดูนะในหน้าเจ็้อสบาบอกว่ากิรินโตสมิจุนทะนปัจฉิตสามิที่บอกว่า เธอจงปูราดผ้าสังาติสชั้นแก่เราเถิดเราเหน็ดเหนื่อยจากนอนเนี่ยนะจริงๆแล้วกําลังของพระพุทธเจ้ามาดูว่าเขาบอกว่าช้างในในโลกนี้มีอยู่10ตระกูลด้วยกันตระกูลที่หนึ่งตระกูลอะไรตระกูลกาลาวกะตระกูลคังเคยะตระกูลบรรดระตระกูลตามพระปิงคละตระกูลคันธาตระกูลมังคละเหมะกุโบสถแล้วก็ตระกูลฉัตรทันเรียกว่าฉัตรทันก็คืองาหสีนะเป็นช้างพิเศษที่มีงาหสี ก็บอกว่าช <ph> <graffiti> <t SC I Ps> ้างช้างตามปกติ10บเชือกคือช้างตระกูลกาลวกะเนี่ยนะสิตัวจะมีกําลังเท่ากับช้างคังเคยะหนึ่งตัวหนึ่งเชือกอ่ะช้างคังเคยะสิบเชือกจะมีกําลังเท่ากับช้างปันดระหนึ่งเชือกช้างปันดระ10บเชือกมีกําลังเท่ากับช้างตัมพระหนึ่งเชือกช้างตัมพระสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างปิงคละหนึ่งเชือกช้างปิงคะละสิบเชือกมีกําลังเท่าช้างคันถะหนึ่งเชือก ช้างคันทะสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างมังคละหนึ่งเชือกช้างมังคละสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างเหมะหนึ่งเชือกช้างเหมะสิบเชือกมีกําลังเท่าช้างอุโบสถหนึ่งเชือกช้างอุโบสถสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างฉัดทันตะหนึ่งเชือกพระพุทธเจ้ามีกําลังเท่ากับช้างฉัดทันตะสิบเชือกช้างสิบเชือกจะเท่ากําลังพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์แต่ขนาดกําลังเนี่ยนะเขาบอกว่า รวมความว่าคูณด้วยสิบแห่งช้างตามปกติพระพุทธเจ้ามีกําลังเท่ากับช้างประมาณโกรดเชือกขนาดกําลังอันนั้นก็ยังสิ้นไปนะหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะก็บอกว่าแม้อะไรนะเครื่อคิดถึงเครื่องบินเนี่ยนะมันจะแรงขนาดไหนถ้ามันเสียเข้าจะเป็นยังไงยกตัวเองไหวไหมจะเร็วเท่ากับ iPhone ยังไงมันก็ยกตัวเองไม่ไหวถ้ามันเสียสักอย่างเดียวฉันใดก็ดีร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเจ็บป่วยซะแล้วเนี่ยนะ ที่เคยมีเรี่ยวมีแรงเป็นนักมวยเป็นอะไรขนาดไหนก็ช่างเถอะเป็นนักวิ่งลมกรดก็จะพยุงตัวเองไม่ขึ้นอยู่แล้วนะน้อลงเรื่อเนาะวิ่งเร็วขนาดไหนถ้าป่วยก็ยกตัวไม่ขึ้นแล้วนะลงเรืองอดีตเป็นนักวิ่งนะนี่มันพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสเสด็จจากเมืองปาวานะจากเมืองปาวาไปกุศินาราเนี่ยจริงๆนี่ก็ทางไม่กี่กิโลเอง แต่ขนาดนั้นบอกว่าโ hop ักหลายครั้งด้วยกันนะเดินไปพักไปเดินไปพักไปก็ป่วยนะก็กระทำความอุตสาหะใหญ่เสด็จมาจนถึงเมืองกุสินาราถึงเมืองนี้เวลาพระอาทิตย์อัสดงครบดีนะเดินตั้งแต่เช้ามาเลยนะค่อยๆเรียกว่ากระปลกกระเปี้ยมาเต็มทีละมาถึงคําพอดีพระองค์ได้แสดงเนื้อความนี้ว่าขึ้นชื่อว่าโรคย่อมย่ํายีความย่อมย่อมยีบุคคลผู้ไม่มีโรคทั้งหมด นนะ้โอ้เรียกว่าความไม่มีโรคมีโรคเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นสุขภาพดีๆทั้งหลายก็จำไว้เถอาว่าตรงกันข้ามเสมอใช่ไหมถ้ามีสว่างเดี๋ยวไม่นานจากมืดถ้ามีป่วยแล้วถ้าหายป่วยอย่างนี้ไม่นานก็จะป่วยแต่ถ้าป่วยแล้วไม่แน่ว่าจะหายใช่ไหมแน่ไหมไม่ได้แน่เสมอไปเลยเนี่ยนะอันพระองค์ก็เปล่งวาจาที่กระทาความสังเวชให้แก่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกรองกตัดว่าจุนทะ เราเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยจากนอนละ่ะแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยนะเรียกพยุงตัวไม่ไหวแล้วนะพระองค์ก็สําเร็จสีหาสยยาปกติแล้วการนอนเนี่ยนะนอนเนี่ยมีอยู่สอย่างด้วยกันนอนแบบผู้บริโภคกลามอย่างที่หนึ่งสองก็นอนแบบพวกเปรตสามก็นอนแบบพระพุทธเจ้าพระตถาคตสี่ก็นอนแบบสีหาการนอนสี่อย่างนั้นนะนะที่พระองค์ตรัสว่าดูการพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้บริโภคกลามโดยมากย่อมนอนตะแคงซ้าย น, นะผู้บริโภคการามโดยมากนอนตะแคงซ้ายส่วนเปรตทั้งหลายนอนหงาย น, นะกระดูกมันมากอะนะไม่รู้แต่แตะแคงยังไงก็เลยนอนหงายเอาส่วนชาพระพุทธเจ้าเวลานอนของพระองค์คือเข้าชานสี น, นะส่วนราชสีก็ตะแคงขวาจริงอยู่การนอนของสีหะเป็นการนอนอย่างสูงสุดเพราะเป็นอริยบทอันสูงขึ้นเพราะเดชก็คือมีเดชกล้านะก็เลยนอนตะแคงขวาพระองค์ก็นอน เรีว่าซ้อนพระบาทซ้ายเลื่อมพระบาทขวา อ, อุจอจาฐานะก็คือซ้อนหมายคือว่าวางข้อเท้าให้เลื่อมกันพลอยถ้าวางตรงๆ ต, ต, ต่อการมันก็เข่าก็เข่าก็จะถูกกับเข้าพอดีใช่ไหมมันจะเสียดสีกันเวทนาความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นการนอนก็ไม่ผาสุกแต่ถ้าหากว่าวางให้มันเลื่อมล้ํากันสักหน่อยนึ่งนะก็จะไม่เบียดกันเวทนาก็ไม่เกิดการนอนก็ผาสุกพระองค์ก็นอนบรรทม ส่วนในคาถาที่บอกว่าคันตาวานะพุทโทพธพระธรรมสังหะกาจารรถจนาขึ้นในตอนหลังบทว่าอัปติเมโทโลเกได้แก่ไม่มีผู้เปรียบปานในโลกนี้คือในโลกพร้อมทั้งเทวโลกขนาดพระองค์นะไม่มีบุคคลเปรียบยังขนาดนี้จะกล่าวไปยายถึงคนอื่นเหมือนกันหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงสนานกระทำภวรกายให้เย็นทรงดื่มเสร็จแล้วก็ขึ้นจากน้า ได้ยินว่าในการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสนานสิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปลาเต่าภายในแม่น้ําไพรสนที่ฝั่งทั้งสองข้างผู้มีภาคทั้งหมดได้กลายเป็นสีทองไปทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าผิวของพระพุทธเจ้าเหมือนทองเนี่ยนะผิวพันวันนั้นพระองค์เนี่ยเปล่งปลั่งปุดผ่องงามมากเลยเรียกว่างามเหมือนวันตรัสรู้เลยแต่ว่าต่างจากวันตรัสรู้พระตรัสรู้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ 35ใช่ไหมก็ถือว่าแข็งแรงเต็มที่ะนะตอนนี้80แล้วะนะผิวเหมือนเดิมแต่ว่าสุขภาพไม่เหมือนเดิมนะพระรัศมีสีทองเป็นต้นก็ส่องให้ปลาเต่าแม่น้ำก็ดูเป็นสีทองไปหมดเลยบทว่าปุรคตโตความว่าอันโลกพร้อมทั้งเทวโลกชื่อว่ากระทำไว้เบื้องหน้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอาพระพุทธเจ้านาหน้าหมดเลยใช่ไหนหน้าโดยอะไรโดยการบูชาโดยการนับถือ เพราะพระองค์นี่เป็นครูผู้สูงสุดแก่สัตว์โดยคุณนพิเศษทั้งหลายคุณนพิเศษของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างอรหันต์ตะคุณอรหันต์สัมมาสามัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นต้นนั่นเองเพราะะฉผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยก็จะเอาพุทธคุณนี่นําหน้านําหน้าหมดเลยใช่ไหมเอาพุทธคุณนําหน้าจะบูชาเคารพสักการะก็ อย่างน้อยที่สุดก็ น, นะโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะแปลว่าอะไรขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อใดน้ะมองเห็นภาพพระพุทธรูปก็นะโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทุกครั้งที่เห็นภาพพระพุทธรูปเห็นพระเจดีย์เห็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนึกอย่างนี้ได้เมื่อไหรก่ก็ถือว่าได้ดีไปเยอะแล้วนะนะเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาค อรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นภาพพระเจดีเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธรูปเมื่อไหร่ก็บอกขอนนบหนอมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ต่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทุก er er er ครั้งไปเนี่ยนะถ้าปลูกฝังศรัทธาของเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งเนี<ๆ>่ยนะก็หาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติ ม, ต, มต่อไปว่าอารหันต์ขอบเขตกว้างขวางขนาดไหนสัมมาสัมพุทโธเป็นอย่างไรภะควาเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็ทําความเข้าใจมากขึ้น การนอมน้อมของเราก็จะมีผลมากและก็มีอานิสงส์มากเนยนะเขาบอกว่าบุญเนี่ยนะจะได้มากได้น้อยวัดกันที่ไหนวัดกันที่ศรัทธามากบุญมากวิริยะมากบุญมากสติมากบุญมากสมาธิมากก็บุญมากปัญญามากก็บุญมากถ้าอินทรีย์หทั้งหประชุมกันมากก็บุญมากถ้าน้อยก็บุญน้อยพระพุทธเจ้าก็คงเดิมนั่นแหละเขาบอกว่าในโลกนี้นะดวงอาทิตย์ก็สองเท่าเดิมแต่ถ้าใครตาดีก็มองเห็นได้ไกลใครตาไม่ดีก็เห็น ใล้ดวงอาทิตย์ก็เท่าเดิมนี่แหละชั้นใดพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณก็คงเดิมของพระองค์อยู่อย่างนั้นแหละแต่เราทั้งหลายจะมีบุญมากบุญน้อยก็อยู่ที่ศรัท ธ, ธาเป็นต้นของเราถ้าเรามีศรัท ธ, ธามากมหากุศสก็มีกำลังมากถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาต่อคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ น, นี้ก็ถือว่าเป็นบุญมากมายหาประมาณไม่ได้ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นปุรคตโตคือนำหน้านะเพราะบูชาทั้งหลายการบูชาทุกอย่างก็นำเอาพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องหน้านับถือพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องหน้าขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นครูผู้สูงสุดเป็นครูที่แนะประโยชน์เนี่ยนะในโลกนี่จะมีใครสอนเท่ากับพระพุทธเจ้ามีบ้างไหมเนาะที่เป็นนักสอนสอนสอนทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีใครสอนเท่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สอนมากจริงๆเลยก็ เพราะอะไรเพราะกรุณาใช่ไหมก็อย่างพ่อแม่คนไหนที่สอนลูกมากๆนะพ่อแม่คนนั้นมีกรุณาต่อต่อลูกมากคนถ้าคนไม่มีกรุณาเนี่ยนะพูดคําเดียวนี่ก็เลิกแล้วพูดครั้งเดียวก็พอแล้ววันหลังก็บอกฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือก็ได้แต่บอกแล้วไม่ใช่หรือก็จะพูดอยู่แค่นั้นอนะไม่กี่คําแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มากไปด้วยกรุณาเนี่ยนะบอกแล้วบอกอีกอ้อนวอนแล้วบอกแล้วขอร้องแล้วบอกอยู่นั่นแหละไม่เบื่อไม่นายเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อเขาจะได้รับประโยชน์ที่ สูงสุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะเพียเรียกว่าแทบจะอ้อนวอนเลยแหละนะเนี่ยนะแทบจะเรียกว่า อ, อ, อ้อนวอนอ่ะนะคาว่าพระองค์เนี่ยขอรอ้องอ่ะนะจะเรียกว่าขอร้องก็ได้ขอรอ้องอ่ะนะขอร้องเพื่อประโยชน์ใครเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายพระองค์บอกอ่าบทว่าพิขุคณัสสะมัชเชพระองค์นี่อยู่ท่ามกลางที่สุสง์ ทังนั้นพี่สุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไว้เอ่อทรงได้รับเวทนาเกินประมาณก็เข้าไปแวดล้อมโดยรอบอย่างใกล้ชิดถ้าแบ่งเวทนากันได้เนี่ยนะสงสัยจะแบ่งกันใช่ไหมสมมติถ้าเป็นเหมือนกับเรียนเรียนบาทใช่ไหมก็เอาไปคนละบาดสองบาทเนี่ยนะก็จะช่วยกันแบ่งเบากันไปใช่ไหมแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวทนามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีภาษาภาษามีอะไรเป็นเหตุใกล้ ก็มีกายยายตนาเป็นเหตุใกล้เพราะนันกายนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทัะเวทนาเนี่ยนะจะแบ่งกายกันไปยังไงใช่ไหมก็ไม่รู้จะแบ่งทุกข์กันไปอย่างไรพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นศ า, ธธาสถาศาสดานะศาสถาก็คือศ า, ธธาสดาศาสดาเพราะพระองค์นี้โปรยปรายอนุสาสนีแก่เหล่าสัตว์ก็คือสั่งสอนให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชนย์ในปัจจุบันได้รับประโยชนย์ในชาสัมปรายภาพคือชาติต่อๆไป แล้วก็ให้ได้รับปรามัตถประโยชน์ถ้าหากว่าเรานับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราเนี่ย น, นะก็มาทบทวนเสมอว่าประโยชน์สามเราได้อะไรบ้างจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือถ้าหากว่าเราได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระองค์จริง <bars> แ, แต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าเราก็ยังเป็นอะไรนะก็นับถือว่าเราเป็นสิทธิ์ไปชั่วพักหนึ่งอีกภักหนึ่งก็ก็บอกคืน ก็สังเกตดูนะคนที่บอกคืนพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยแต่บอกคืนโดยพฤติกรรมไม่กล้าพูดเท่านั้นเองบอกคืนโดยพฤติกรรมพฤติกรรมที่บอกคืนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ไม่สนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยนะก็ไม่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าสลักสําคัญอะไรเนี่ยที่ที่เราจะต้องเคารพยําเกรงดนั้นคนเหล่านี้เรียกว่าบอกคืนโดยพฤติกรรม นคนที่ไม่บอกคืนก็คือคนที่ปรารบเส ม, มอว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะปัจจุบันนี้เราได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระองค์ทําให้บาปอากุศลของเราเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะบาปของเราลดไปเท่าไหร่ น, นะความทุกข์ความความทุกข์ทั้งหลายที่เราควรจะเกิดขึ้นอาศัยความอนุเคราะห์จากคําสอนพระองค์ทําให้เราปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้นออกไปตั้งมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะเนี่นนะ สัมปรายพภถ้าเรายังมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่ปฏิบัติตามคำสอนอยู่สุคติโลกสวรรค์ก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่ได้ยากอะไรขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าเราเะละลึกถึงโอวาทอนุสาสนีคำสอนของพระองค์ที่สอนโพธิปักจะธรรมเป็นต้นเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานได้บทว่าปวตาพควทะถะธรรมเมความว่าพระาศาสดาชื่อว่าพัควา พักว่าก็คือผู้มีภาคยธรรมภาคยธรรมก็มีคุณธรรมต่างๆน ะ, ะไรายได้ทรงมีส่วนแห่งสติประธานสีทรงมีส่วนแห่งสมมาประธานสีทธิบาสีเป็นต้นในแหลทเรียกว่าพักว่พระองค์นี้ประกาศาศาสนธรรมมีศีลเป็นต้นาศาสนธรรมก็คือศีลสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนศีลสมาธิและปัญญาในพระาศาสนานี้หรือเรียกว่าพักว่าก็คือพระองค์เนตขยายพระธรรม ขยายพระธรรมขันเท่าไรแปดหมื่นสี่พันพระธรรมะขันให้ถึงความแพร่หลายออกไปเจริญอะนะพระธรรมของพระองค์ก็แพร่หลายในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอนนี้รู้เทศที่เ ท, ท, ทวดาหรือที่มนุษย์รุ่งเรืองกว่ากันยองที่ไหนรุ่งเรืองกว่ากันแอบบถามโยมคนหนึ่งก็บอกขาเขาเขาตายไปแล้วนะขอให้ไปเกิดในสำนักของพระอริยบุคคลจะได้เรียนพระธรรมให้ กว้างขวางเลยนะไม่ต้องมาห่วงคอยห่วงคอยพะวงเรื่องเจ็บป่วยเรื่องทำมาหากินเรื่องอะไรอีกต่อไปเพราะงั้นจะได้เรียนทำมาให้เต็มที่เลยเอาเอาก็เอาให้มันแน่ใจหน่อยก็แล้วกันไม่ใช่ไปก็ลองดูว่าเกิดในกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็ได้แค่นี้นะถ้าไปเกิดในสวรรค์น่าจะขนาดไหนก็เนื่องก็เมืองเทวดาเหมือนกันนี่ก็กรุงเทพเหมือนกันเนี่ยนะคับนี่ก็เมืองเทวดากรุงเทพอ่ะกรุงก็แปลว่าเมืองไงเทพก็คือเทวดานี่เราก็อยู่ในกรุงเทพแล้วเอาแค่ได้แค่ไหนก็ดูเอากันแล้วกันนะ ว่ายังติดโอ้ยติดอะไรนะติดงานอีกตั้งหลายแห่งถ้าอย่างนี้ก็ดูเอาตามใจเห็นสมควรเถอะบ่างนั้นสรุปว่าพระพุทธเจา้านี่คือผู้ที่กระจายพระธรรมเนี่ยนะให้แพร่หลายออกไปกระจายศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่ออมตานิพานเขาบอกว่าถ้าสำเร็จประโยชน์คือพระนิพานนเนี่ยนะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่าศีลเป็นเหตุให้ออกจากอบายสมถะทั้งหลายให้ออกจาก การมสุขติวิปัสสนาก็ทำให้ออกจากภพทั้งสามมัลสีนสมาธิปัญญาประชุมกันก็ออกจากวัตฏะในภูมิสานั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ออกจากทุกทั้งหลายโดยลำดับเนี่ยนะพระองค์ก็ขยายแนะนำประโยชน์เหล่านั้นบางทีถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยนะบอกว่าสาาัทธาศาสดาเนี่ยนะาศาสดาเปรียบเหมือนอย่างว่าหัวหน้าหมู่ทบโบราณนี้เห็นชัดเขาบอกว่า พ่อคะหัวหน้ากองเกวียนนะหัวหน้ากองเกวียนที่พาบริวารเช่นกองเกวียนติดตาม500รให้พ้นจากอะไรพ้นจากกันดารคือสัตว์ ร, ร้ายพ้นจากกันดารคือความอดน้ำพ้นจากกันดาลคือหมู่โจรให้ไปค้าขายแล้วก็ประสบความสําเร็จชันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นหัวหน้าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพาเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากอบายพ้นจากสุขพ้นจากภพนะพ้นจากชาติชาราและมรณะ พระองค์ก็พาให้เขาเนี่ยข้ามออกด้วยโสดาปฏิอัศระนะพระองค์พาให้เขาข้ามด้วยสารณะให้ข้ามด้วยศีลสมถาวิปัสนาให้ข้ามด้วยโสดาปฏิมักสกัาคามิมกักอนาคามิมักและอรหัตตมักสรุปว่าพระองค์นี้พาสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัฏฏุกข์เขาจึงเรียกว่าศาสธาก็คือศาสดาแปลว่าผู้นำหรือว่านายกนะผู้นำออกจากวัฏฏุกข์โดยประการทั้งปวง ที่พระองค์ตรัสเรียกพระนันพระจุลธานะจุนทานี่พระจุนทาเป็นเป็นน้องชายพระสารีบุตรพระจุลธาเนี่ยนะเป็นน้องชายพระสารีบุตรแล้วก็มีพระอนุนเป็นอุปชาขณะนั้นท่านพระนุนก็โมัตบิดผ้าอาบน้ําของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ล้าหลังมาก็มีแต่พระจุนทาเทระอยู่ใกล้ๆพระองค์ก็เรียกพระจุนทะมาท่านก็นั่งอยู่เบื้องพระพักนะนะจริงก็นั่งพัดนั่งอะไรพระพุทธเจ้าไป ในพุทธพจน์ข้อ168ว่าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอนนนว่าดูก่อนอนนนข้อนี้จะพึงมีมีบ้างะนะเป็นไปได้ที่ใครๆจะพึงทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่นายจุนทะกรมมารบุว่าดูก่อนอาวุโสจุนทะตอนนี้ไม่ใช่ลาภของท่านท่านไม่ได้ดีแล้ว ที่พระตถ า, าคตสเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรินิพานคนไปต่อว่าใช่ไหถ้าไม่ฉันอาหารของท่านไม่แน่นะอาจจะไม่ปรินิพานก็ได้ น, น, นบางคนที่เรียกว่านักช่างเจราจาทั้งหลายเนี่ยเจราจาจนคนอื่นเดือดร้อนอนะคนพูดเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจสักนิดหนึ่งนะไม่รู้หรอกว่าคำพูดของเราเนี่ยไปบาดใจคนอื่นขนาดไหนคาพูดบางคาคนร้องให้ได้เป็นวันๆอย่างเงี้ย มันคำพูดเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความบาดใจมากท่านถ้าคนที่ไม่สำรวมระวังเนี่ยนะคนอื่นเขาทาบุญดีๆพูดสักคนอื่นเขาเสื่อมบุญหมดเลยเพราะนั้นคำพูดนี่สําคัญมากจะต้องระมัดระวังในการใช้คํานี่ก็เหมือนการเกิดใครบางคนไปบอกว่าจุนทะท่านไม่ได้ดีแล้วนะถ้ า, เ พ, า, เ, พาเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสเสวยบิณฑบาตของท่านเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์เลยปรินิพานเลยเพราะอาหารของท่านเนี่ยพระองค์ยังตายอย่างนั้นนะถ้าเกิดใครไปว่าอย่างนี้ไม่ดีนะ เพราะฉะนั้นถ้ามีใครไปต่อว่าอย่างนี้อนโนนเธอพึงระ ง, งับความเดือดร้อนคือวิปปติสารของนายจุนทะกรมมารบุตรว่าดูก่อนอวุโสจุนทะเป็นลาบของท่านแล้วไปพูดตรงกันข้ามเลยนะว่าเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระตถาคตสเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรินิพานดูก่อนอวุโสจุนทะข้อนี้เราได้ฟังมาได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า บินทบาต ท, ทั้งสองนีมีผลเสมอๆกันมีวิบากเสมอๆกันมีผลมากและมีอนิสงฆ์มากกว่าบินทบาตเหล่าอื่นมากนะักบินทบาต ท, ทั้งสองเนี่ยเป็นไนคือบินทบาทที่พระตถาคตสเสวยแล้วได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งบินทบาทที่พระตถาคตสเสวยแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุหนึ่ง บินทบัต ท, ทั้งสองนี้มีผลเสมอๆกันมีวิบากเท่าๆกันมีผลมากมีอ น, นิสง์มากกว่าบินธบัตเหล่าอื่นมากนะักนายจุนทกกรรมรบุตรนี่ก่อสร้างกรรมที่เป็นไปเพื่ออายุเพื่อวันนะเพื่อสวรรค์เพื่อยศเพื่อความเป็นอธิบดีดูก่อนอานอนท์เธอพึงระ ง, งับความเดือดร้อนของนายจุนทกกมมรรมรบุตรด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ให้ทานบุคคลผู้สำรวมย่อมไม่ก่อเวรส่วนผู้ฉลาดย่อมละบาปครั้นละบาปแล้วย่อมปรินีพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ได้นี่มาดูคำอธิบายนี่นะถ้าเกิดใครไปบอกว่า ในหน้า746กันะแต่เกิดบอกว่าอะลาพาไม่ใช่ลาบของท่านทุนลทัทังเนี่ยนะก็คือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเชื่อว่าได้ไม่ดีเพราะบางคนจะไปต่อว่าว่าไงถ้าใครจะไปต่อว่าเนี่ยนะใครจะรู้ใครจะรู้ว่าบินทบาทนั้นหุงไม่สุกเนี่ยนะไอนะคนจะหาเรื่องอ่ะนะเนี่ยอาหารท่านที่ทำถวายพระพุทธเจ้าหุงสุกหรือเปล่าหรือว่าแฉะเกินไปเห็นไม่ป่วยเลยอย่างเงี้ยนะ พระตถ า, าคตสเสวยบินธบาตครั้งสุดท้ายแม้เช่นไรจึงเสด็จปรินิพานจักเป็นอันว่าท่านเนี่ยวายไม่ดีแน่แท้เนี่ยนะถ้าอาหารดีๆพระองค์อาจจะไม่ปรินิพานก็ได้อาจจะท้องเสียเนี่ยเห็นไหมท้องเสียเลยฉันเสร็จท้องเสียบางคนเป็นเลือดเพราะอาหารของท่านอันนี้ถ้าคนที่จะเรียกว่าช่างอะไรนะช่างทิมช่างแทงทั้งหลายก็จะกล่าวทิมแทงอย่างนั้นแหละ พระองค์ก็ให้ไปกล่าวว่าตรงกงนข้ามบอกว่าเป็นลาบของท่านแล้วลาภาก็คือลาบกล่าวคืออันนี้สงอั น, นิีสงแปลว่าอะไรท่านได้กําไรบุญอย่างมากแล้วกําไรตัวนี้เนี่ยนะที่ท่านได้ให้ทานเนี่ยกไรตัวนี้จะมีในปัจจุบันแล้สัมปายาพบอันนี้เป็นลาบเป็นกําไรของท่านเป็นอันนี้สงของท่านแล้วท่านจะได้ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้านั่นแล บทว่าสุรัตทางความเป็นมนุษย์ท่านได้ดีแล้วเนี่ยนะเพราะท่านเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญแท้ท่านจึงได้ถวายอาหารนี้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นๆเขายังไม่ได้ถวไม่มีโอกาสแบบนี้เลยถือว่าท่านเนี่ยพิเศษมากแล้วนะที่ท่านได้มีบุญแต่ทําบุญอย่างนี้กับพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายอย่างนั้นสัมมุขาแปล ว, ว่าเราเนี่ยได้ฟังพระธรรมเหล่านี้พร้อมหน้าไม่ใช่โดยได้ยินกันมา นะสรุว่าคือพระองค์ให้ให้ไปกล่าวปลอบใจนะหรือไปบอกเพื่อให้กําลังใจแก่นายจุนทฆกรรมมาระบุตรคือบุญมากบุญน้อยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมปกติเนี่ยนะมันมีเจตนาอยูอ่บุญเนี่ยมันมีอยู่4ประเภทหนึ่งก่อนให้ใจผ่องใสกําลังให้ใจผ่องใสให้เสร็จแล้วผ่องใสหลังจากนั้นระลึกถึงเมื่อใดก็ผ่องใสจริงๆท่านนายจุนทฆนี่ได้3แล้วละ่ะกลัวตัวที่4ี่เนี่ไม่ดี นะตัวที่สี่นี้สําคัญมากนะบางทีคนทําบุญเสร็จลืมเลยใช่ั้มทําเสร็จนะก่อนทําททก็ดีใจทําเสร็จก็ดีใจทํำก่อนทําก็ดีใจกําลังทําก็ดีใจทําเสร็จแล้วก็ผ่องใสสบายใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลิกเลยทิ้งบุญเหล่านั้นไปเลยทจริงเนี่ยเขาบอกว่าการทําบุญแล้วสา ม, มารถตามระลึกถึงบุญเหล่านั้นได้ก็เหมือนว่าปลูกผ ล, ลไม้ปลูกต้นไม้สําเร็จออกลูกออกผลถ้าเราระลึกถึงเท่าไหร่ก็เหมือนว่าเก็บเกี่ยวเอาผลเท่านั้น ควรจะเก็บเท่าไหร่ดีปลูกมะม่วงได้ลูกเต็มอะไรนะออกลูกสุกเต็มต้นไปหมดเราควรเก็บกินกี่ครั้งดีก็จนกว่าจะ น, นะหมดลูกแล้วก็ถ้าแล้วออกลูกมาใหม่ๆมาเรื่อยก็กินได้ไปเรื่อยๆฉันใดบุญที่เราปลูกฝังลงไปแล้วก็ฉันนั้นมั้นทำหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าคนที่ฉลาดแท้จริงเนี่ยนะเขาสามารถเก็บเกี่ยวเอาผลบุญเหล่านั้นจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะเขาเอามาละมาระลึกถึงระลึกถึงตัวบุญที่ได้ปลูกฝังไว้เป็นอย่างดีนะเขาบอกว่าบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ตามระลึกถ้าตามระลึกมากบุญก็มากตามระลึกถึงบุญกับตามระลึกถึงของที่ให้ไปคนละอย่างกันนะอ้าวสมมุติว่าอย่างเราถวายอะไรให้ทานไปใช่ไหมระลึกถึงข้าวกับระลึกถึงบุญนี่ต่างกันเขามีอยู่3ามอย่างนะระลึกเวลาจะทําบุญเนี่ยนะมันมีองค์ประกอบ3ามอย่างอย่างนึง เจตนาของผู้ให้สองของที่ให้ 3... ผู้รับสิ่งที่ควรตามระลึก3าอย่างคืออะไรเจตนาที่เราเองให้หรือของที่ให้หรือผู้รับระลึกถึงเจตนาที่เราได้ให้ไปที่ที่เขาตามระลึกเนี่ยระลึกถึงบุญที่เราได้ปลูกฝังลงไปเพราะบุญแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยเราควรตั้งไว้เลย3ประการหนึ่งก่อนจะทำคำนวณเลยนะบุญเนี่ยดีแน่นอน มีปัญญาประกอบนะนะเต็มไปด้วยความผ่องใสและเลื่อมใสสองกำลังทําก็ได้ได้ทําอย่างที่ตั้งใจทําเสร็จแล้วก็ดีใจว่าได้ทําเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ตามระลึกถึงบุญไอ้การตามระลึกถึงบุญนี่แหละลเป็นวิปัสเป็นภาวนาแล้วนะเป็นจารคานุปสัสจารานุสติเป็นการตามระลึกบุญอันนี้บุญมากกว่าตอนให้ซะด้วยซ้ยําไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทําบุญหนึ่งครั้งเนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งก็บอกว่าก็เหมือนกับการลงทุน ที่เหลือก็การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเดียวนะพะันธ์การตามระลึกถึงบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำนะควรทํำไหมควรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายวันก่อนเนี่ยนะให้ทานเสร็จเขาตามระลึกถึงเจตนาที่ได้ให้ระลึกถึงบุญที่ได้เคยให้ไปหรือท่านรักษาศีลท่านก็ตามระลึกถึงศีลที่ได้ได้รักษาเพราะนั้นเขาจะตามระลึกถึงแบบนี้กันทั้งนั้นแหล ะ, จะเจริญกุศลเหล่าใดเราใดไปก็ตามระลึกนึกถึงบุญที่ได้กระทําลงไปแล้วนั้นเนี่ยนะ นี่ก็เหมือนกันท่านบอกว่าในบรรดาการให้ทั้งหลายให้ข้าวเนี่ยนะให้ข้าวให้อาหารเนี่ยมันมีการให้สองครั้งนี่แหละพิเศษที่สุดคืออาหารของนายเอ่อของนายจุนท่ากรรมมาระบทกับอาหารของนางสุชาดาแม้เรายังไม่ได้มีโอกาสทำแบบนั้นก็อนุโมทนาเอากับท่านก็แล้วกันนะอนุโมทนาบุญกับนายจุนท่ด้วยนะอนุโมทนากับนางสุชาดาด้วยนะที่ถวายอาหารบิณฑบาต ทำให้พระพุทธเจ้าอาหารมื้อแรกกิเลสปรินิพานอาหารมื้อที่สองก็ดับขันธ์ปรินิพานทันการเพรา ะ, ะพระองค์บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเราก็อนุโมทนาอนุโมทนาแปลว่าอะไรตามยินดีด้วยเนี่ยนะ ด, ดีใจด้ว ย, ยะนะไม่ใช่แม้โกรธจังเลยเนี่ยถ้าไม่มีท่านเราอาจจะได้ทำเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปริษยาอะไรมากมายขนาดนั้น มูท่านอ่านเรื่ออะไรนะรู้จักมุที่ตาเป็นบ้างสิอย่างนั้นเขาบอกว่าพระตถาคตเสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายแล้วตรัสรู้จึงตรัสรู้เพราะทานอันนั้นถ้าพระองค์ไม่ได้ฉันอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะจะได้ตรัสรู้ไหมยังไงก็ตรัสรู้อย่างั้นเถอะมันได้ประจวบเหมาะพอดีแหละอะไรนะมันเป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะเป็นธรรมดาที่จริงเนี่ยนางสุชาดาเนี่ยนะ นางทำบุญมาแสนกลับแล้วนะนางทำบุญมาแสนกั บ, นะ บ, กบเป็นอุบาสิกาคนแรกที่คนแรกที่ถึงไตสรสารณคมเป็นแม่ของพยศะเนี่ยนะนางสุชดาดนี้เป็นแม่ของพระนางของของพยศะกุลบุตรเนี่นยนะเนี่ยเป็นพระโสดาบันคนแรก เ, เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นพระโสดาบันที่ถึงสรารณคมนะเขก็หลังจากที่อะไรนะ เศรษฐีพ่อของนายเอ่อของพระยาศาติดตามไปใช่ไหมแล้วก็บอกว่านิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระยาศาไปฉันที่บ้านน่ะนางสุชาดาเนี่ยก็ก็ถวายอาหารพร้อมนลูกสะพ้ายนะฟังธรรมก็บรรลุ ก, กันทั้งหมดนี้เขามีคนถามว่ะอา้าวพระพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ที่เมืองเมืองอะไรเมืองราชเอ่อเมืองอะไรนะพุทธคยาเนี่ยนะตำบลอุรุเวลาเสนานิคมกับเมืองพราราณสีตั้งไกลกัน ทำไมไปเป็นแม่พยาศาได้ยังไงเขาบอกว่าบางท่านก็บอกว่าคือนางสุชาดาเนี่ยได้เคยตั้งไว้ว่าถ้าได้ไปไปสู่ตระกูลสามีตั้งแต่ยังสาวแล้วก็ได้ลูกคนแรกเป็นลูกชายแล้วก็สามีตระกูลเสมอกันเนี่ยนะก็จะเรียก อ, อะไรนะจะมาบูชาเทวดาใช่ไหมอันนั้นก็นางก็ได้มาทําอย่างนั้นอ่ะนะก็ได้มาทำเรียกว่าทัาสพูดแบบสมัยใหม่เรียกว่าอะไรนะมาบวงสรวงใช่ไหมมาอะไรนะ มาแก้บนน่ะนะคบมาแก้บนอ่ะนะนั้นลักษณะนั้นน่ะที่บอกว่าอาหารทั้งสองมือเนี่ยนะที่ว่าเหมือนกันนี่เหมือนกันอย่างไรเพราะว่าอาหารของนางสุชาดาเนี่ยจัดเป็นกาลทานที่พระองค์ยังละกิเลสไม่ได้ที่จริงน่าจะต่างกันใช่ไหมคือคําถามว่าน่าจะต่างกันเพราะอะไรนางสุชาดาถวายเนี่ยตอนนั้นพระองค์ยังมีกิเลสอยู่ แต่ของนายชนทะเนี่ยพระองค์หมดกิเลสแล้วไม่ใช่หรือทำไมจึงมีผลเสมอกันตอบว่าเพราะมีการปรินิพานเสมอกันข้อแรกนะมีสมาบัติเสมอกัน 3. ม, มีการระลึกถึงเสมอกันเหตุผลสามประการข้อแรกจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยบิณฑบาต ท, ที่นางสุชาดาถวายแล้วปรินิพานด้วยสอุ ป, ปาิีเสสานิพานธ า, าตุ สเสวยบินทบาทที่นายจุนท่ถวายแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพ า, านธาตุรวมความว่าทานเหล่านั้นมีผลเสมอกันเพราะมีการปรินิพานเสมอกันนะเพราะสเสวยปัจจัยของนางสุชาดาทําให้พระองค์เนี่ยปฏิบัติธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากําจัดกิเลสเนี่ยนะกำจัดกิเลสโดยประการทั้งปวงได้ส่วนอาหารของนายจุนทะทําให้พระองค์ดับวิบากกับ กมชรูปได้อันนี้เหตุผลแรกคือการปรินิพานเสมอกันแต่คนละปรินิพานใช่ไหมสอุปาทิเศษกับอนุปาทิเศสานิพานส่วนโดยสมาบัติละ่ะในวันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติได้สองล้าน4ี่แสโกรธแม้ในวันปรินิพานพระองค์ก็เข้าสมาบัติสองล้านี่โกรนั้นทั้งหมด ทานเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีผลเสมอกันเพราะมีการเข้าสมาบัติเสมอกันดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่บริโภคบิณฑบาตของผู้ใดแล้วเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ความหลังไหลแห่งบุญความหลังไหลแห่งกุศลของผู้นั้นหาประมาณไม่ได้คือหมายความว่าถ้าได้ถวายปัจจัยแก่ผู้ที่เข้าสมาบัติทั้งหลายเนี่ยนะบุญอั น, นั้นหาประมาณไม่ได้ นี่ก็เหมือนกานนางสุชาดากับนายจุนทะถวายอาหารบินทบาทที่ผู้เข้าสมาบัติเสมอกันจึงได้บุญเท่ากันงั้นได้บุญเสมอกันโอ้เข้าสมาบัติสองล้านสี่แสนโกดเนี่ยทไมถึงมากขนาดนั้นก็คิดดูว่าตอนก่อนปรินิพานสมาบัติเหล่าใดทั้งโลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติที่มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเข้าหมดเลยก่อนแเรกตรัสรู้ฉันใด ก่อนปรินิพานก็ฉันนั้นเข้าสมาบัติเหมือนกันเนี่ยนะเหตุผน่นะนับอย่างไรเหรอก็ปฐมฌานมีกี่ประเภทในโลกทุติยะฌานมีกี่ประเภทต่ติยะฌานจะตุทฌานเรียกว่านับโดยอารมณ์บ้างก็นับโดยองค์ฌานบ้างนับโดยอธิบดีบ้างเป็นต้นเนี่ยนะนับโดยองค์ฌานนับโดยอารมณ์นับโดยอธิบดีนะแล้วก็นับโดยโลกิยะและโลกุตระ ก <c oughs> ็อะไรนะเมตตาเนี่ยก็มีตั้ง5 0ากว่าในแล้วเมตตาฌานอย่างเดียวนะหกว่าในกรุณาก็500รกว่าในายยี่นะถ้าจำไม่ผิด528ยิในเมตตา528ปกรุณา528รมุทิตา528ยเป็นต้นแล้วก็ยังมีอะไรที่ปฐมฌานที่เกิดจากอสุภะเนี่ยนะปฐมฌานที่เกิดจากอสุภะแล้วก็ปฐมฌานที่เกิดจากกสิน แล้วก็ปฐมฌานที่เป็นโล ก, กุตระเป็นต้นนะมันเกี่ยวกับเรื่องปฐมฌานเนี่ยรายละเอียดมากมายนั่นก็มากเยอะจริงนะน่าจะได้สักอย่างนึ่นะอย่างเงี้ด้ว่าเขาบอกว่าโอยทรัพย์สินในโลกมีเยอะแยะไปหมดเลยนะของเราน่าจะได้แบ่งมาสักอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะทีนี้มาดูโดยการระลึกถึงระลึกถึงเนี่ยนะไอ้ที่สำคัญที่พูดถึงก็คือการระลึกถึง ครั้นต่อมานางสุชาดาได้ฟังมาว่าข่าวว่าเทวดานั้นไม่ใช่รุ ก, กเทวดาไม่เหมือนกระตูนกระตูนก็บอกว่าอะไรนะกระตูนก็บอกโอ้ยเป็นพระพุทธเป็นอะไรนะกระตูนเข้านึกว่าบอกบอกตรงๆเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กันนะตอนแรกนางสุชาดาก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาจริงๆนั่นแหละตอนหลังก็ฟังมาว่าผู้นั้นเป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ยินว่า พระโพธิสัตว์บริโภคบิณฑบาตนั้นแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นน่ะยังอัตภาพให้เป็นไปหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอัตภาพนั้นให้เป็นไปด้วยอาหารนั้น49วันเจดสัปดาห์เจดสัปดาห์ก็คือ49วันเนี่ยนะจะถือว่าเป็นอาหารพิเศษมากนะฉันครั้งเดียวอยู่ได้สี่วันนะเขาบอกว่า49่สาคำนะพระพุทธเจ้าปั้นมาเป็น49ก้ก้อนก้อนหนึ่งให้ให้ชีวิตอยู่ได้มือหนึ่ง ก็คือโอชาเยอะจริงๆนะทั้งโอชาของของมนุษย์กับโอชาของทิพย์เนี่ยนะเพราะว่าถือเอาน้ํานมโคจากแม่โคที่มีคุณภาพสูงมากนะก็เรียกว่าเอาโคมาเป็นพันตัวเนี่ยนะมาเลี้ยงโคแล้วก็มารีดนมโคแล้วก็เอานมโคไปให้โคดื่มแล้วก็ย่อยย่อย่อลงมาอย่างเงี้ยจนไปรีดเอาแม่โคที่มีคุณภาพที่สุดแล้วมาต้มมาต้มแล้วเทวดาก็สายโอชาทิพย์ องประกอบนั้นอาหารนั้นจึงมีคุณค่าสูงมากก็มีพระชนอยู่ได้49วันหลังจากนั้นจึงฉันอาหารของตับปูสะ ต, ตับผลิกะเนี่ยนะมันตอนหลังมานางสุชาดาได้ฟังคำนั้นก็หวนระลึกว่าเป็นลาบของเราเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเกิดปีติโสมนัสที่มีกำลังมากไอ้คำว่ารุนแรงนี่ฟังแล้วเข้าใจยากก็คือปีติโสมนัสมีกาลังมากเลยนะดีใจมากเลยนะค่กับว่าอะไรนะ บางคนเนี่ยพอได้ทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ทํากับคนพิเศษเช่นนี้เนี่ยนะนะดีใจจริงๆปีติโสมนัสอย่างมีกําลังอันนี้ส่วนของนางสุชาดานะีได้ฟังตอนนั้นก็ยิ่งดีใจเนี่ยนะยิ่งได้ฟังเมื่อไหรก่ก็ดีใจเสมอตามระลึกเมื่อไหรก่ก็ดีใจเสมอว่าพระพุทธเจ้าได้บริโภคปัจจัยของตัวเองแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสวิมุติสุขอยู่ตลอด49วันนี่ต่อมานายจุนทะก็เหมือนกัน ในจุนทาก็ฟังมาว่าเราได้ถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายได้ข่าวว่าเราได้รับยอดธรรมะข่าวว่าพระศ า, ศาสดาสเสวยบิณฑบาตของเราแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานที่พระองค์ทรงปรารถนายิ่งตลอดกาลนานก็กพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อที่จะดับวิบากกรรมชรูปจริงๆแต่ที่ทนอยู่ตลอดมาก็ด้วยอํานาจของกรุณาเนี่ยนะด้วยอํานาจของกรุณานั้น ถือว่าอาหารที่เราถวายนี้เนี่ยนะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในตอนท้ายขณะเดียวกันพระองค์ก็อาศัยอาหารของเราที่ได้ถวายไปเนี่ยพระองค์ก็ถึงเรียก อ, อะไรนะสมความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะเรานี่ได้ดีแล้วได้ดีแล้วก็ลวเลยเกิดปีติโสมนัตที่มีกําลังมากเหมือนกันบิณทบาททานของทั้งสองอย่างเนี่ยมีผลเสมอกันเพราะมีการระลึกถึงเสมอกันสามอย่างนั้นหนึ่ง 1ประเด็นิีพานเสมอกัน 2. พระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติเสมอกัน3คนที่ทําบุญเนี่ยนะระลึกถึงเหมือนกันเพราะนั้นได้บุญเสมอกันวิบากเท่ากันแปลว่ากําไรทั้งชาตินี้และชาติหน้าเท่าเทกันเพราะทั้งคู่ก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมก็เลยได้ดีเสมอกันหมดเลยเว้ยเป็นพระโสดาบันได้ทําบุญขนาดนั้นจะดีใจขนาดไหนนะของเราได้นับถือพระพุทธเจ้าขนานี้เรายังดีใจเลยอะ่ะ ถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังทำได้ทําอะไรเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้รับประโยชน์จากเราได้อย่างนั้นจริงๆเราจะดีใจกันขนาดไหนบทว่าอายุสังวัตนิกังเนี่ยนะเขาบอกว่าบุญที่ทั้งสองท่านได้ทําไปเนี่ยนะเป็นเหตุให้อายุยืนนานอายุชาติไหนก็คืออายุในพบต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะจะได้ยืนนาน เ, เพราะอายุของเทวดาใช่ไหมอุปจิตัตงสังสมแล้วให้เกิดแล้วยาสวัตนิกัง เป็นทางที่ให้มีบริวารมากทําบุญนั้นเป็นเหตุให้มีบริวารเยอะอธิปตายะสังวัตนิกังแปลว่าเป็นทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐก็คือผู้มีอำนาจมากนะเพราะก็ด้วยบุญของทั้งสองท่านเนี่ยวิบากเสมอกันนะของนางสุชาดากับนายจุนทะกรมมารบุตรพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วโดยอาการทืออัด3อย่างนะ พระพุทธเจ้าก็ประรบถึงเหตุสามประการคือความที่ทานเนี่ยมีผลมากเมียนิสงมากทานมีผลมากเพราะอะไรเพราะความที่พระองค์เนี่ยเป็นทักษินายบุคคลที่ยอดเยี่ยมโดยคุณมีศีลเป็นต้นเขาบอกว่าทาบุญกับบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะเอาปู่ตชนเนี่ยเต็มจักรวาลมันงงั้นเถอะหรือเอาพ ร, พระโสดาบันเนี่ยชั่วชมพูทวีปมานั่งพระสกะทาคามีครึ่งหนึ่งก็ลดๆ ล, ล, ล, ลงไปเรื่อยเนี่ยนะ กับทำบุญกับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยทำบุญกับพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยได้บุญมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลย ถ, ถ้าถ้าเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะถวายสังฆทานก็ว่ามีบุญมากเฉพาะสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนะนั่นนะอันนั้นอ่ะจึงจะมีผลมากกว่าพระองค์เฉยๆคือ ถ, ถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็บุญมากอยู่แล้วถ้าพระองค์อ่ะเป็นประธานของพระพิสุสงฆ์ด้วยแล้วทำบุญนั้นบุญจะมากมายขนาดไหนเนั้น พระพุทธเจ้านี่เป็นอักขระทักษิณายะบุคคลที่เลอที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะว่ามูสัตเนี่ยนะทั่วๆวไปคํานวณคุณธรรมได้แต่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่คํานวณคุณธรรมไม่คุณธรรมไม่ได้พระองค์เป็นบุคคลไม่มีใครเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนเนี่ยนะไม่มีใครยิ่งไปกว่าเพราะว่าพระองค์เนี่ยเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็แล้วคุณธรรมของพระองค์อีกก็หาประมาณไม่ได้ และพระ อ, องค์ก็ปรารบถึงอนุปาธาปริณิพานการดับแบบไม่มีส่วนเหลือของพระ อ, องค์นนะพระ อ, องค์ก็เลยเปล่งอุทานนี้แปลว่ท ะ, ทะโตปุญญงปวัตถะเความว่าบุคคลผู้ให้ทานชื่อว่าย่อมก่อบุญอันสําเร็จด้วยทานเพราะเพียบพร้อมไปด้วยจิตและเพราะเพียบพร้อมไปด้วยทักษินายบุคคลทานนั้นย่อมมีผลมากมีอ น, นิสง์มากนะแปล ว, ว่าทานนั้นมีผลมากมีกําไรงามเขาบอกว่าถ้ากุศ ล, ลจิต ดีเท่ากันและผู้รับเสมอกันตัวบุญนี่องค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมตัวบุญเนี่ยมีเจตนาของผู้ให้ของที่ให้และผู้รับแต่ในที่นี้เน้นพิเศษคือเจตนาที่ให้กับผู้รับเจตนาที่ให้กับผู้รับเนี่ยเป็นตัวบอกว่าบุญอันนั้นควรจะเท่าไหร่สมมุตินะถ้าเราทํางานรับใช้จันทานรับใช้ขอทานเนี่ยควรได้รายรา ย, รายงานเท่าไหร่ ทำงานตั้งแต่เช้าเลยไปขอทำงานรับใช้ขอทานเนี่ยนะกับไปทํางานรับใช้คนที่รวยกับขอทานอีกหน่อยหนึ่งกับทํางานสูงสูงไปเรื่อยจนทํางานให้มหาจักรพรรดิผู้เป็นสุดยอดของบุคคลเลยเนะี่ยทำงานวันละเท่ากันได้รายรับเท่ากันไหมไม่เท่าทาไมอะแรงงานเท่ากันก็จริงอยู่แต่ว่าสิ่งบุคคลที่เราทําให้เนี่ยมีความแตกต่างกันแบบถ้าพูดสมัยใหม่นะว่ า, วา ลงทุนเท่ากันในการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะถ้าซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะกับซื้ออะไรนะตัวเดียวเนี่ยไหนะจะมีมูลค่าสูงกว่ากันอย่างนั้นชันใดก็ดีนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่หาค่ามิได้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่สูงสุดจิตที่เลื่อมใสใจที่ผ่องใสใจที่ประกอบด้วยสติและปัญญามีศรัทธาที่มีกําลังเนี่ยนะทำกับพระองค์เนี่ยบุญ น, นั้นก็เป็นบุญที่ หาประมาณไม่ได้ทั้งขอมาจึงพาจึงยกย่องออกไปบูชาพระเจดีเถอดนะไปบูชาไประลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเถอะอันนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญเพราะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามไปทําอย่างอื่นนะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พูดว่าการทํากับพระพุทธเจ้านี่สมควรเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วอีกอย่างหนึ่งพึงทราบอัฏถาว่าทัทโตปุณย์ยังปวัตติอย่างนี้ว่า ก็บอกว่าพิกสุผู้ไม่มากไปด้วยอาบัตในที่ทุกสถานย่อมสา ม, มารถเพื่อชำระศีลให้หมดจดด้วยดีถ้าศีลดีแล้วก็บำเพ็ญสมถาวิปัสนาโดยลำดับเพราะผู้บริจาคทยรธรรมย่อมกระทาให้มากด้วยเจตนาเครื่องบริจาคเพราะเหตุนั้นบุญทั้งสอย่างมีทานเป็นต้นย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นคือถ้ามีความสา ม, มารถได้ให้ทานได้ทาบุญกับผู้ที่มีศีลมีศีลดีอบรมทั้งสมถะและ วิปั ส, สนาเนี่ยนะกุศลทั้งสมอย่างไม่ว่าจะเป็นทานเป็นต้นหรือกุศลที่เกิดจากปุพพะเจตนามุญจนะเจตนาและอปราพระเจตนาบุญเหล่านั้นก็เป็นบุญที่มีผลหาประมาณไม่ได้คาถาแรกว่าไงนะบุญย่อมเจริญแก่ผู้ที่ให้ทานนั้นถ้าสามารถได้ให้ทานบุญก็เจริญอย่างเดียวกุศลเจตนาก็เจริญยิ่งๆขึ้นไปส่วนบุคคลผู้รักษาศีลล่ะ ก็ย่อมไม่ก่อเวรเป็นยังไงถ้ารักษาศีลแล้วไม่ก่อเวรก็บอกว่าผู้สํารวมด้วยการสํารวมในศีลชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในการปิดกั้นและสังวรนี่แปล ว, ว่าปิดกั้นเวรังนะจิติความว่าเวรทั้งห้าย่อมไม่เกิดคิดดูนะสมมุติถ้าเราผิดศีลสมมติเราฆ่าฆ่าอย่างเดียวเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าหนึ่งเขาจะเอาไว้เราไว้กราบไหมถ้าเราไปฆ่าตระกูลใดเนี่ยนะ สมมติถ้าเราไปฆ่าตะกูลใดเนี่ยเขาจะยกย่องว่าเราเป็นวีรบุรุษไหมไม่เขาจะหาเรื่องมาทํายังไงแกอายุสั้นได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าเท่ากับสาปแช่งตัวเองชาตินี้ไปที่ไหนเขาให้คนตามฆ่าชาติหน้าเกิดขึ้นมาก็ให้อายุสั้นๆชาติต่อๆไปเกิดมาเท่าไหร่เขาเข้าตามล้างตามฆ่าตามเข็นตามข่าอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือจองเวรไว้ชัดๆเาะฉนั้นการฆ่าหนึ่งครั้งเนี่ย เท่ากับสาบแช่งและจองเวรให้แก่ตัวเองพันธะหนึ่งไม่ค่านะเท่ากับไม่จองเวรไว้ให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตทีนี้ถามว่าถ้าเราไปคดไปโกงไปขโมยใครไปทุจริตกรรมกับใครเขาจะเคารพเราไหมขณะเดียวกันเขาจะเอาช่องเอาหาเอาคืนบ้างไหมพรันชาตินี้ถ้าเราโกงใครแล้วคิดนะว่าคนอื่นเขาจะอนุโมทนากับทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าได้ข่าวว่าเราไปโกงเข้ามาเขาก็หาเรื่องทําร้ายทรัพย์สินของเราอีกเหมือนกัน มันเขาก็ที่มาของความก่อเวรทั้งชาตินี้ชาติต่อๆไปเกิดมาใครที่ลักขโมยคดโกงไว้บ่อยๆก็สาบแช่งสาธุชาติหน้าเกิดมาเป็นคนทุกคนยากนะคนยากคนไร้คนไร้ยทรัพย์สินถ้ามีทรัพย์ปางใดชาติใดก็ขอให้อะไรไฟไหม้นม้ําท่วมแผ่นดินไหวทรัพย์สินเสียหายตลอดไปเนี่ยนะเพระั้นคนที่ลักขโมยก็คือคนที่สาบแช่งตัวเองเอาไว้ต่อไปนี่คนที่ผิดศีลข้อ3นี่อย่างว่าผิดศีลข้อ3 ถ้าไปผิดลูกเมียใครผัวใครเอาไว้เออลูกเมียนะผัวไม่เกี่ยวผัวก็ต้องดูว่าถ้าตัวเองมีผัวอยู่แล้วไปผิดผัวคนอื่นทางนี้ยุ่งแน่แต่หมายถึงว่าไปผิดลูกผิดเมียหรือตัวเองมีคู่อยู่แล้วก็ไปผิดกับชายอื่นเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ถามว่าถ้าตั้งเหตุผลง่ายๆเนี่ยนะเขาชอบไหมเอาสมมติถ้าเราเอเรียกว่าสวมเขาให้แก่กันและกันกลับไปกลับมาเนี่ยฝ่ายหนึ่งชอบไหมเป็นที่รังเกียจฉันใดคนที่ ผิดศีลข้อสามก็เท่ากับสาบแช่งให้ตัวเองเนี่ยนะไปที่ไหนให้คนขยะขยงรังเกียจชิงชังที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะบางคนเนี่ยนะก็โชว์ตัวที่ไหนใครก็รังเกียจนั่นก็คือเพราะผิดศีลข้อที่สามก็เท่ากับสาบแช่งให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอย่างนี้เรื่องนี้ตลอดไปและขณะเดียวกัน ก, ก็เป็นที่รังเกียจชิงชังของประชุมชนเป็นอันมากนั้นหลายคนที่ไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็เกิดจากการ ทุ่ยสิข้อนี้นะเป็นที่รังเกียจของประชุมชนทั้งหลายอย่างสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะการผิดศินข้อนี้นะเอามาเช้าโฉตามเต็มไปหมดเลยแล้วข้อที่สี่ล่ะถ้าเราไปโกหกคนอื่นไว ม, มากก็เกิดชาตินี้ก็ถูกหลอกแล้วนะเขาก็หลอกเราคืนบางชาติต่อๆไปก็วางกลับดักไว้ให้เขาหลอกเราตลอดไปตีไหมก็สาบแช่งตัวเองเลวร้ายขนาดนั้นนะนี้ถ้าเราเป็นนักดื่มนะชาติสาธุชาตินี้ตอนดื่มครับพระเจ้ากับปัญญาอ่อนอยู่แล้วนะ นะเมาเมื่อไหรก่ก็คนมาก่าคนบ้านต่างกันตรงไห น, นยอมคนหนึง่งเขมาเล่าให้ฟังบอกท่านท่านไอ้คนที่เมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเลิกง่ายๆนะมันสางปั๊บมันก็ดื่มอีกมันสางก็ดื่มมันสางก็ดื่มเหมือนกับคนบ้าอย่าคิดว่ารักษาง่ายนะรักษาหายเดียวก็บบ้าอีกรักษาอีกก็บ้าอีกเพราะอะไรเพราะทํากรรมมามันสมควรแก่กันมันถ้าดื่มสุรามากก็ซาบแช่งสาธุชาติหน้าเกิดมาปัญญาอ่อน ป, ปั่มปั่มเปอเปื เด้อเนี่ยนะเป็นบางคนเมาแล้วดุร้ายคนบ้าบางคนเนี่ยดุมากบางคนเนี่ยเมาแล้วก็ยิ้มอยู่นั่นแหละฉันใดคนบ้าบางคนก็ยิ้มอยู่นั่นแหละก็ตามสมควรที่ว่าตอนทำเหตุตอนเมาเนี่ยเป็นเช่นใดพบชาติต่อต่อไปก็คงเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็ใครที่ผิดศีลทุศีลเหล่านี้เรียกว่าก่อเวรไว้ทั้งห้าที่บทสวดมนต์ใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเวรทั้งห้า ก็เว้นทั้งห้าก็คือผิดศีลห้าผิดศีลห้านั่นแหละผูกเว้นไว้ให้กับตัวเองสรุปนะถ้าหากว่าอะไรข้อที่หนึ่งสาบแช่งให้ตัวเองอายุสั้นเป็นเหตุให้ตัวเองตกนรกเกิดมาชาติใดปางใดเกิดมาเป็นเดรัจฉานเขาถูกตามล้างตามฆ่าตามผลันเกิดมาในครันก็ขอให้แม่ทําให้แท้งให้เร็วๆแล้วคลอดออกมาก็ตายคาคลอดเป็นต้นเนี่ย้ก็ถ้าก็สาบแช่งตัวเองไปเรื่อยๆเยนี่ยนะ นี่ถ้าถามว่าถ้าผิดศีลข้อสองก็สาปไปเรื่อยๆข้อสามสาปยังไงข้อสี่สาปยังไงก็ได้เลยผูกเวรก็คือสาปแช่งตัวเองนั่นแหละเนี่ยนะก็บอกว่าบางคนนั้นมาคิดดูนะเออพระพุทธเจ้าขัดขวางความสุขของเราหรือยังไงไม่ให้เราผิดศีลเลยเนี่ยบอกไมพองสงสารเราระยะยาวเลยนะนี้ต่อไปหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าผู้มีศีลย่อมหมดจดด้วยศีลสํารวมทางกายวาจาและใจเพราะอธิศีลมีอะโทสะเป็นประธาน คนที่รักษาศีลดีนะคนนั้นไม่ค่อยมักโกรธถ้าโกรธอยู่ก็ศีลดีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนที่ไม่โกรธเนี่ยนะมีจิตใจที่ดีก็ไม่ก่อเวรกับใครๆเพราะเป็นผู้มากไปด้วยความอดท น, น, น, นผู้นั้นชื่อว่าจักก่อเวรมาแต่ที่ไหนถ้าเขาด่าเรามาเราเก่งมากเราด่าเก่งกับเขาเนี่ยนะเป็นยังไงก่อเวรไหมก่ออยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่สำรวมระวังก็ไม่ก่อเวร เพราะมีการสัมรวมสัมรวมนี่แปลว่าติดช่องสัมรวมตัวนี้มาแปลว่าปิดปิดแปล ว, ว่าไม่สืบต่อเวรอีกต่อไปก็เวรทั้งหลายย่อมไม่อา่าคิดว่าอะไรนะย่อมดับด้วยการไม่ก่อเวรด้วยการไม่จองเวรแต่ถ้าจองเวรกันมากๆก็เหมือนกับสุนัข ก, กับแมวเหมือนกับกากับนกอะไรนะกากับนกอะไรนกเข้าแมวเนี่ยนะพวกนี้นเป็นศัตรูกันตลอดไปแล้วก็หมีกับต้นสักครอ คนนนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์กลุ่มที่ผูกเวรต่อกันมันผู้ที่สำรวมก็ไม่ก่อเวรเนี่ยนะคือคนที่ระวังดีเนี่ยนะเรื่องไม่มากนะคนที่ระวังตัวสำ ม, ม, มอแปลว่าระวังก็ได้ระมัด ร, ระวังหรือปิดช่องทางที่จะสร้างปัญหาทั้งหมดออกไปคนที่ตัดสะพานสร้างปัญหาทั้งหมดคนนั้นชีวิตก็อยู่สบายไม่ต้องตามเช็ดตามล้างตามแก้ในสิ่งที่ตัวเองกระทาลงไปบทว่ากุสโลจะ ชาติตปาประกังความว่าก็บุคคลผู้ฉลาดคือผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตั้งอยู่ในศีลบริสุทธ์กำหนดกรรมฐานอันเหมาะสมแก่ตนในสมถะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกสินสิบอสุภาสิบอนุสติสิบพรหมวิหารสี่อรูปกรรมฐานหรือจะตัทธาตัววัฐาน อาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นก็ตามเจริญต่างชาให้เกิดโดยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้สำเร็จก็ละสละอกุศลมีการมฉันทานิวรเป็นต้น น, นะกำจัดที่กิเลสบา ป, ปกรรมไม่ให้กลุ่มรุมในจิตใจเพราะว่านิวรบาปอากุศลธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชั่วช้าลามกมากที่เกิดในใจให้คมด้วยสมถะด้วยวิขมพนะปะหาน ผู้นั้นทำฌานนั้นนั่นแหละให้เป็นบาทเริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปในสังขารทั้งหลายบำเพ็ญวิปัสสนากระทาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นละอกุศลกรรมอันชั่วช้าลามกได้อย่างเด็ดขาดด้วยอริยมรรคบทว่าราคะโทสะโมหขยาปริณิพุโตผู้นั้นแหละทละบาปอากุศลธรรมอันลามกอย่างนี้แล้วปริณิพานด้วยการดับกิเลสไม่มีส่วนเหลือ เพราะสิ้นราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะสิ้นโมหะ น, นะดับขันปรินิพานด้วยกิเลสก็คืออย่างพระพุทธเจ้าดับที่ไหนที่ต้นพระศรีมหาโพลหลังจากนั้นก็ปรินิพานด้วยดับขันถ้าปรินิพานดับวิบากและกรรมชรูปในคาถาเหล่านี้นะบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้ทานแปลว่าสรรเสริญเรื่องทานคนฉลาดย่อมสัมรวมด้วยการไม่ก่อเวร น, นิสินส่วนผู้ฉลาดย่อมละบาปก็ด้วยอํานาจของอาศัยสมถะและ วิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์มันคาถานี้ก็คือทานศีลสมถาวิปัสสนามรรคผลและนิพพานมันพระองค์เนี่ยอาศัยทักษินย ะ, ะทักษิณาสมบัติคือคุณสมบัติของผู้ให้ทานของนายจุนท ะ, ะนะทักษิณาวิสุทธิบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้ขณะเดียวกันทักษินายะสมบัติคือตัวพระองค์เองก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ก็เปล่งอุทานที่ซ่านออกมาด้วยกําลังแห่งปีติชื่นชมอนุโมทนาทาน ศีลสมถะวิปัสนาบรรลุมัคคุปและการปรินิพานมันอาศัยเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ก็เปล่งอุทานถือว่าเป็นอุทานครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพานอันนี้อุทานที่เราพูดถึงเนี่ยถือว่าเป็นอุทานสุดท้ายเนี่ยนะอุทานก่อนหน้านั้นก็ถือว่าอุทานต้นๆอยู่เลยนั่นก็เท่าที่ฟังนี้เราก็คงเห็นโทษภัยของวัตตะอย่างที่พระพุทธเจ้าแม้กระทั่งชาติสุดท้ายพระองค์ก็ ลำบากพระวรกายไม่ใช่น้อยเพราะว่าผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกเนี่ยนะก็เดือดร้อนแหละเพราะว่าที่ใดมีชาติหลังจากนั้นก็ชรา ม, มรณะการป่วยของพระองค์นี่คนโศกกะหลายคนไหมคนที่ได้ฟังนั่งยิ้มไหมบอกพระนรนเนี่ยเศร้ามาตลอดเลยเห็นพระพุทธเจ้าป่วยเห็นพระพุทธเจ้าทุกทรมานลําบากพระโนรนในี่ใจนี่มนมองธรรมะไม่ปรากฏเลยปริยัติที่เคยฟังมาละลิกไม่ได้เนี่ยนะเพราะมีใจรักผูกพันกับ พระพุทธเจ้ามาเพราะันพระองค์เนี่ยนะสรีระของพระองค์ก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวทุกโทมานะแต่พระองค์ไม่โศกนะแต่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกของบุคคลอื่นสังขารทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเป็นเช่นนี้เพราะนั้นพระองค์จึงส่งจึ ง, ส, ง ส, ส่งเสริมสนับสนุนให้